ไม่ด้อมเลยเขาถามมาว่าธรรมทานกับอภัยทานแตกต่างกันอย่างไรนี่เขาถามมาในเพจ เ, เอาชาวทำตอบที่ผู้ศึกษาทำเนี่ยธรรมทานกับอภัยทานแตกต่างกันอย่างไร ให้ธรรมะเป็นทานอาภัยทานาานา่ะาการที่สละจิตใจก็ไสละจิตใจสละจิตใจคือสละอะไร<จ> อ, ภ, อภัยนี่คืออะไร อ, อภัยคือการคือเราไม่คือยกโทษนะคบยกโทษให้เขาเหรออภัยทานนี่คาเป็นผู้ตินั่นแหละไม่้สละแล้วอภัยทานไม่ได้จัดอยู่ในส่วนของธรรมทานเหรอ มใจเื่อไม่ตั้งใจโกรธแค้นไม่ตั้งใจโกรธตอบไม่ตั้งใจมุ่งคิดร้ายต่อคนอื่นตั้งจิตเป็นอภัยอยู่เสมออภัยภัยแปลว่าสิ่งที่มันไม่ดีภัยคือสิ่งที่มันทําให้เกิดอันตรายภัยมาจากภาวะภาษาตั้งเดิมว่าสภาพแห่งความกลัว สิ่งที่น่ากลัวภัยทุกภิกขภัยภัยที่เกิดจากการข้าวยากหมักแพงใช่ไหมอมรุตภัยภัยที่เกิดจากการเบียดเบียนจากอมรุตอคีภัยอุทกภัยวาตภัยโอภัยต่างต่าก็จึงมีประกันภัยไว้แต่ภัยในความหมายที่จัดอยู่ในอภัยทานนั้นภัยคืออะไรภัยคือความโกรธใช่ไอมภัย คือสิ่งที่ทำให้เกิดความหวาดกลัวทำให้เกิดความกลัวภยะมาจยากแปลว่าความกลัวเรากลัวภัยคือความเข้ายากหมาแพงกลัวภัยจากอมนุษย์ผีปีศาจเบียดเบียนภัยจากไฟไหม้ภัยจากลมพายุภัยจากน้ำภัยจากโรคภัยเบียดเบียนใช่ไหมล่ะเรากลัวพวกนี้แต่ภัยจากความโกรธเราเคยกลัวไหม ภัที่เกิดจากความโกรธเราเคยกลัวไหมไม่ไม่ทันกลัวไม่กลัวมิแต่จะม่แต่จะโกรธตอ่อมันตลอดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยกลัวเลย<ม>ท่านจึงบอกว่าภัยที่เกิดจากความโกรธเนี่ยจงอภัยคืออย่าให้มันเป็นภัยคือให้เห็นเป็นของที่น่ากลัวความโกรธเป็นสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกับกลัวภัยจากไฟไหมอย่างนี้เลยเห็นใจไหมล่ะอภัยคือ เขาเรียกว่าทำให้มันไม่มีภัยอากแปลว่าไม่ภัยคือความกลัวหมายถึงว่าทำความโกรธที่มีต่อคนอื่นให้สงบละงับไปในจิตคือให้อภัยเสียใครกระทำอะไรที่ไม่ดีต่อเราก็ให้เป็นความให้ภัยนั้นสงบละงับไปเสียอัภัยคืออย่าไปทำความเกรงกลัวต่อคนอื่นสร้างความกลัวต่อคนอื่นเพราะ มันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะนําไปสู่ภัยความโกรธเกิดขึ้นในใจใครก็ตามมันจะนําไปสู่ภัยคือกาเนิดสัตว์เดือดชนันเปรตพิภีสารสุรกายหรือภัยเป็นความทุกข์ภายในคิดเคียดแค้นคิดโกรธคิดอาฆาตพยาบาทคิดปองร้ายคิดมุ่งร้ายสิ่งเหล่านี้จัดเป็นภัยทําให้จิตเกิดความหวาดกลัวใช่ไหมกลัวใช่ไหมความโกรธนี่เกิดจากความกลัวใช่ไหมมาจากความกลัวนะจึงโกรธถ้าไม่กลัวก็จะไม่โกรธ คนที่ไม่โกรธคือคนที่ไม่กลัวคนที่โกรธอยู่คือคนที่กลัวกลัวคือภัยนั่นเองเป็นผู้มีภัยจึงมีความกลัวต่อความโกรธแต่ไม่กลัวที่จะโกรธโกรธตอบอยู่ตลอดนั่นคือมีความกลัวอยู่ภายในกลัวคนนั้นมาด่ากลัวคนนี้มาว่ากลัวคนนั้นทาให้ถูกใจกลัวคนนี้ทาไม่ถูกใจกลัวคนนั้นจะแย่ง ของของนี้ของเราไปกลัวคนนั้นจะได้ดีกว่าเรากลัวค น, นโน้นจะเอาเปรียบเรากลัวเราจะเสียเปียบเผาสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างความโกรธแค้นในใจได้สร้างความเครียดแค้นจริงชังกันได้สิ่งเหล่านี้อภัยทานคือให้อภัยคืออย่าไปสร้างสิ่งที่เป็นความโกรธแค้นความเครียดแค้นความพยาบาทความปองไร้ายความมุ่งร้ายความปัทนานไร้ก็เ ข, ข้าสู่หลักของเมตตาอภัยทานนนะ แต่วมันแตกต่างกับธรรมทานยังไงก็ธรรมทานก็คือมันก็เรื่องของเมตตากือเราเมตตาอุเบกขาเนี่ยธรรมทานคือให้อภัยคือให้สิ่งเหล่านี้ออกไปจากใจเราให้ใหภ้ภัยคือความวกลัวภัยคือความทุกข์ภัยคือสิ่งต่างๆที่เป็นอารมณ์เห็นความโรคความโกรธ ค, ความหลงสละออกไปจากใจจากใจเราอย่าให้มันเป็นภัยคือให้ทานในสิ่งเหล่านี้เอาภัยทาน อย่าถือโทษกดแค้นรงเป็นองโฮสิกรรมต่อกันอย่ามองเขาเป็นเป็นบุคคลที่เราที่จะคอยปองร้ายต่อกันอย่างเงี้ยอาพยทานแล้วมันต่างจากธรรมทานตรงไหนให้อภัยเป็นทานกับให้ทำเป็นทานถามว่าเอาเอาพยทานกับธรรมทานอันไหนได้อันดสงสูงสุด จากที่ได้ฟังมาต้ น, นบอกก็ที่อาพยทานเอาพยทานได้ผลสูงสุดใช่ไหมที่ได้ยินได้ฟังมานะ ว, ว่าไงเอาพยทานอเอาเอาพยทานกับธรรมทานอันไหนได้ผลสูงสุดอ๋อไม่แน่ใจนี่นะเอาพยาทานได้ผลสูงสุดได้ยินมาอย่างนั้น ผิดเอ้าทําไมถึงผิดก็ให้อภัยมันก็น่าจะมันน่าจะเป็นทานที่ที่ได้อรนนิสง์มากแล้วมีบุญมากแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วใช่ไหมล่ะเออสละนะ่ะถามว่าเขาจะให้อภัยได้เขาต้องฟังทำไหมอเอาถ้าฟังถ้าไม่มีคนมาบอกธรรมะกับเขาเขาจะสามารถตั้งจิตเป็นอภัยได้ไหม พู้ได้เจ้าจึงบอกว่าการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสัพพะทานังชินาติเข้าใจไหมเออชนะการให้ทั้งปวงโอ้ยคําสอนของผู้ได้เจ้าไม่ค่อยสนใจไปสนใจคําสอนของใครก็ไม่รู้เอาพยาทานด้วยผลสูงสุดในบรรดาทานอันเนี้ยผิดจำไว้เลยนะผิดคนที่จําผิดเฮงก็ตามก็เข้าใจไม่ผิด เระเข้าใจให้ถูกจะไม่เข้าใจผิดต่อไปคนเรามันจะมีสติมาตั้งกิจเป็นอภาภัยได้ต้องเกิดจากการอบรมกิตใจด้วยธรรมเกิดจากการฟังธรรมจากการที่มีผู้มีธรรมมาเตือนสติเราหากเขาไม่เคยฟังธรรมไม่เคยศึกษาธรรมไม่เคยอบรมใจเขาจะให้อภัยใครได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นธรรมะจึงการให้ธรรมะบอกธรรมะสอนธรรมะแนะนําธรรมะ จึงได้อา น, นิสงส์สูงสุดมีผลสูงสุดชนะกันให้ทั้งปวงอภัยทานก็ต่ําลงไปกี่อย่างเงี้ยอภัยทานเป็นชั้นของการใช้ธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองนะให้เข้าใจอย่างนี้นเออ ล, ลืมข้อที่ว่าการให้ น, นคะคะลืมข้อนะมีการลืมข้ออีกลืมข้อก <laughs> ็การให้ให้ทำต่อไปอา่าวเครื่องมัน เรื่องมันดับไปแล้วเนี่ยจะดูยังไงต่อคำถามต่อไปเอาพนพรอดลอบนี่บอกไม่แน่โอ้เรียนคำสอนมานียังไงเนาะไม่ไม่แม่นกับคำสอนนี่ก็ไม่นจถึงเว่นนาเอ๊ะเรื่องนี้ถึงไหนกสการอก็จได้นะแต่ว่าก็เอกเราเองเห็นความแตกต่างหรื อ, อยังระหว่างอภัยญาทานกับธรรมทาน เพราะนั้นธรรมทานคือสิ่งที่สูงสุดเลิศที่สุดประเสริฐที่สุดกว่าอาภัยทานอาภัยทานเป็นผลมาจากธรรมทานนะเข้าใจนะคนที่ถามมานาราชินตินนี่แหละถามถาม <c oughs> ถามมาดีมากเลย <c oughs> คือถามได้หมดทุกเรื่อง <c oughs> ดูเรื่องอะไรถามมาได้ดีจัง <c oughs> ถามว่าวิธีตอบแทนพ่อแม่มีอะไรบ้างครับ เอาที่พระพุทธเจ้าแนะนำมาณที่พิธีการตอบแทนพ่อแม่เนี่ยเอาที่พระพุทธเจ้าแนะนําไว้พระพุทธเจ้าบอกว่าคุรบุตรเราได้ผู้ปรารถนาที่จะตอบแทนคุณมารดาที่เป็นการตอบแทนได้อย่างสิ้นสุดเอาแบบสิ้นสุดคุรบุตรนั้นจะต้องเป็นผู้แนะนําบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในพระรัตนตรัยมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีจิตเลื่อมใสในพระธรรมมีจิตเลื่อมใสในพระสงฆ์ จะต้องไม่เลื่อมใสอย่างอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าไม่เลื่อมใสอย่างอื่นนอกจากพระธรรมไม่เลื่อมใสอย่างอื่นนอกจากพระสงฆ์กุลบุตรผู้แนะนําบิดามารดาให้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างนี้กุลบุตรนั้นได้ชื่อว่ากระทาการตอบแทนคุณบิดามารดาได้ถึงสิ้นสุดแนะนําให้บิดาบรรดาเลื่อมใสในเทววาราตัวใดตัวหนึ่งตอบแทนบุญคุณบิดามารดาได้ไหมไม่ได้ แนะนำบิดามารดาให้เลื่อมใสในพรมตนใดทนหนึ่งผู้มีฤทธิ์มากมีอรูปภาพมากตอบแทนบุญบุคุณมารดาบิดาได้ไหมไม่ได้แนะนําบิดามารดาให้เลื่อมใสในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขังวัตถุมงคลวัตถุปุกเสกแม้แต่รูปเคารพที่ยึดติดกันอยู่ตอบแทนบุญคุณมารดาบิดาได้ไหมไม่ได้เพราะไม่ได้อยู่ในส่วนของพระรัตนตรยัยไม่ยืมในส่วนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไมให้เลื่อมใสในพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น เท่านั้นนะต้องเท่านั้นนะอย่างอื่นไม่ได้นะไม่ได้แต่ความหมายของพระพุทธพระสงฆ์ถูกบรรจุไว้ในรูปเคารพเครื่องลังของขังวัตถุปุกเศเครื่องศักดิ์สิทธิ์กันแล้วทุกวันนี้ความหมายเข้าไปบรรจุไว้ในนั้นแต่ความหมายที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการเลื่อมใสในสิ่งอื่นนอกจากพระัตนตาลัการเลื่อมใสในรูปเคารพเครื่องลังของขังวัตถุปุกเศษนั้นจึงไม่ใช่การแนะนําบิดามดาให้ตั้งอยู่ในรัตนตาลหรือว่าผิด แม้แต่เรื่อมใสในเทพในพรมในผู้มีฤทธิ์เมียน้าอนุภาคก็แนะนาไว้ผิดแล้วก็เป็นการตอบแทนบุญคุณที่ผิดนอกจากแนะนําบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในพระราชาตัยแล้วมีอีกไหมมีคืออะไรแนะนําให้บิดามารดายินดีในการบริจาคบริจาคอะไรรับบริจาคที่เขาแห่กันไปอย่างนี้เหรอลับบริจาคที่เขาแจกซองกันไปอย่างนี้เหรอลับบริจาคที่เขา ถือตู้บริจาคไปให้ให้ให้ให้บริจาคอย่างนี้เหรอเราบริจาคยไงให้บิดาบรรดายินดีในการบริจาคคืออะไรบริจาคนี่จาคแปลว่าสละออกปริปริแปลว่ารอบบริจาคคือสละให้รอบสละอะไรบ้างสละให้รอบนี่บริจาคเนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่าทานนะทานต่ํากว่าบริจาคนะ ทานอาจจะใช้วัตถุได้แต่บริจาคอาจจะไม่ใช้วัตถุก็ได้ใช้จิตอย่างเดียวก็ได้บริจาคสละออกแต่ก็ทานก็อยู่ในส่วนหนึ่งของบริจาคคือสละทานคือสละทุนทรัพย์เพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่คนอื่นอย่างเงี้ยก็ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการให้บิรามันดาทำบุญสูนทานนั่นแหละพาพ่อแม่ไปทำบุญบ้างแต่ การที่มุ่งคําว่าบริจาคอยู่ที่การใช้ทรัพย์ไปทําบุญอย่างเดียวนั้นมันแคบเกินไปเพราะคําว่าบริจาคในความหมายของบิดามารดาในความหมายที่เราจะต้องใช้หรือจะแนะนําให้แก่บิดามารดานั่นบริจาคบริจาครอบเพื่อสอนเรื่องการบริจาคอะไรบ้างทานอันหนึ่งว่าวัตถุทาน2มีอะไรบ้างบริจาค เสียสละการเสียสละแรงกายแรงใจนี้เป็นการบริจาคใช่ไหมไถือว่าเป็นการบริจาคได้ไหมไเงี้เสียสละแรงกายแรงใจแรงกายคือช่วยกันทําการงานแต่ถ้าหากบิดามารดาอายุมากให้ท่านบริจาคอะไรบริจาคฮะแรงใจงบางคนเนี่ยมีพ่อแม่ที่ชอบทําการงานโดยไม่หยุดไม่ย่อน มีนะห้ามยังไงก็มีอยู่เราต้องไปแนะนําบิดามารดาว่าการที่บิดามารดาติดอยู่กับการงานบางอย่างโดยที่ไม่ยอมหยุดเลยเนะี่ยชอบทํานั่นทํานี่โดยไม่หยุด เ, เราต้องไปบอกว่าเสียสละบ้างอย่างเงี้ยให้สละออกบ้างจากการทําการงานให้ให้ใ ห, ให้ให้เห็ น, หนคุณค่าของการสละออกคือถ้าเรามุ่งที่จะไปทําอยู่อย่างนั้นบ่อยๆมันจัดเป็นอาจินกรรม เขาเรียกว่ากรรมที่กระทําเป็นอาจินการกระทําที่เป็นอาจินเนี่ยเราแม้จะเป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่กรรมนั้นจะบังคับเราคือการกระทําที่เป็นอาจินจะบังคับเราให้ทําอยู่อย่างนั้นบ่อยๆหาไปได้ทําจะรู้สึกไม่สบายจะรู้สึกร้อนใจจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรทำมันว่างๆพระเจ้าบอกว่าการติดอยู่กับการกระทําอย่างนั้นบ่อยๆแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีก็อยู่ในอาจินกรรมที่ถูกควบคุมและบังคับภายใต้กฎแห่งกรรม พี่เจบอกสละการงานบางการงานออกไปบ้างอย่าไม่ใช่แต่ไปทําไปทําไปทำไปทำไปทำไปทำอย่างเงี้ยเข้าใจไหมนี่คือการสละอย่างหนึ่งแลบริจาคนะแล้วมีอะไรอีกการบริจาคสละอารมณ์ความคิดที่เป็นอดีตคิดถึงลูกคนนั้นคิดถึงลูกคนนี้คิดถึงคนนู้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสละความคิดสละอารมณ์สละจิตที่ผูกพันเกี่ยวข้องออกไปบ้างสละอะไรอีกจาก้าค่ะ พ่อแม่บางคนชอบดุชอบด่าชอบว่าชอบเ่าวชอบบน่นชอบนั้นเรื่องนี้โน่นนี่นัน่นอันนั้นก็ไม่ถูกอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ถูกใจอันนั้นก็ไม่ถูกใจ อ, นนกอันนั้นก็ทําผิดอันนก็ทําผิดอย่างเงี้ยบ่นให้คนนั้นบ่นให้คนนี้สราระคำพูดบน่นบนเนี่ยออกไปบ้านเ <c oughs> <c oughs> ข้าใจไหมพอตัวเองบน i, น่ Meu, wość, นออกไปตัวเองก็ขุนมัวนจิตใจเองใช่ไหมล่ะพอเราเริ่มสละออก make, ไปได้อาการขุนมัวในการที่ต่อว่าคนนั้นคนนี้มันก็จะทุเลาลงไปทําให้จิตของ จิตของพ่อแม่เราอ่ะมีคุณภาพมากขึ้น <c oughs> แจ่มใสมากขึ้นคุณภาพชีวิตก็จะดีเนี่ยคือการสละออกยินดีในการบริจาคบริจาคไม่ใช่มุ่งแต่วัตถุเท่านั้นบริจาคอะไรอีกมีอะไรที่ต้องบริจาคมั่งพวกเราเองก็เหมือนกันนะไม่ใช่เฉพาะพ่อแม่นะพวกเราเองอบริจาคความคิดในด้านใดด้านหนึ่งที่มัน ไม่ดีออกไปบ้างสะละออกไปบ้างอย่าไปมัวแต่คิดมันถูกติดอยู่ในความคิดอยู่ตัวเองจนถูกความคิดสร้างสิ่งที่คิดให้เป็นเรื่องจริงแล้วหลอกตัวเองหลงเข้าใจในสิ่งที่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แน่นอนไอ้ที่มึงเกลียดกูแน่นอนอย่างเงี้ยทั้งๆที่เขาไม่ได้ทำเพราะความเกลียดลูกบางคนนี่นะทําบางอย่างที่ขัดใจพ่อแม่แต่ลูกไม่ได้ทำเพราะความเกลียดพ่อแม่แต่ทำเพราะเขามีนิสัยอย่างนั้นแต่พ่อแม่ไปมองว่ามึงไอ้ลูกคนนี้มึงรำลังเกียดกู อย่างเงี้ยมึงทำอย่างเงี้ยทาให้กูไม่ชอบใจคิดทีเนี้ยคิดอยู่กวนเวียนอยู่ในหัวกลายเป็นรังเกียจลูกโกรธลูกพานลูกอย่างเงี้ยดาลูกย่ไม่หยุดไม่ย่อนเพราะความคิดที่ตั้งไว้ไม่ยอมสละออกเนี่ยยิ้มยิ้มนี่เอาคนหนึ่งฮะพึ่งหายโกรธโอ้เห็นไหมล่ะแม่จะวอนหรือว่าจะประชดนะะเพระ่ ย, ยทำไม่ถูกนิสัยพ่อแม่ใช่ไหมค่ <c oughs> น, นี่ก็แนะนำให้ท่านเนี่ยว่าปล่อยวางอารมณ์อย่าปล่อยวางอารมณ์ท่านก็ไม่ทไม่ได้จะไปที่อื่นท่านก็ยึดติดให้เราอกันคือเราต้องแนะนำให้ท่านได้เห็นโทษของสิ่งเหล่านี้ว่ามันไม่ดีเองอย่างนี้อย่างนี้คือการแนะนาให้ทา บ, บริจาคเนี่ยวัตถุนี้ทำง่ายใช่ไหม แต่อารมณ์ในจิตมันทำยากบริจาคยากเหลือเกินสละออกอยากเหลือเกินนะ<ม>จา้าโคแปลว่าการสละเสียสละการเสียสละเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าทานนะเพราะฉะนั้นบริจาคมันไม่ใช่แค่การให้วัตถุทานให้เงินไปบริจาคนี้มีอะไรอีกหมหนึ่งเรื่มใสในพระพุทธธรรมประสงค์สองยินดีในการบริจาคสมีอะไรอีกแนะนําให้บิดามารดา เห็นเห็นอะไรอันน like ี in ้ไม่เคยตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ยงไงดิหลวงพ่อบอกให้ท่านพยายามปลดหรือจำได้แต่ว่าพระรัตนตรัยหรือปล่อยวางอย่างเดียวอย่าด่าลูกอย่าด่าล้านมากพ่อไม่ชอบถูกด่าท่านนอเวลาเจ็ดี๋ยคบะวมชาต่ขอเก้วนี้ไปนะมีอะไรอีก แนะนำให้พ่อแม่ได้เห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นความดับไปของทุกข์เห็นทางปฏิบัติที่ถึงความดับทุกข์นะชี้ให้พ่อแม่เห็นทุกข์ในกายก่อนที่ท่านจะละสังขารไปนี่กายเป็นทุกข์นะแม่นะะจิตก็เป็นทุกข์นะแม่นะสอนพ่อแม่เงี้ยแม่เอ้ยพ่อเอ้ยกายกับใจนี่เป็นความทุกข์ทุกที่เจ้าสอนมาอย่างนี้ให้เห็นความทุกข์ในกายในจิตพ่อแม่ทุกข์มายากมาเท่าไหร่แล้ว ให้มองเห็นความทุกข์อันนี้ว well. ่ามีเมื่อมีการเกิดอีกก็ต้องมีความทุกข์อีกหากพ่อแม่ยังอยากจะเกิดอีกพ่อแม่ก็ต้องทุกข์อย่างนี้อีกไปเรื่อยๆพ่อแม่จะพอใจการเกิดหรือไม่พอใจการเกิดก็ตามแต่ยังไงก็ตามเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีทุกข์ติดตามไปสอนพ่อแม่ให้เห็นทุกข์แล้วเหตุให้เกิดทุกข์ก็คือการที่เราไม่รู้จักความทุกข์ในตัวเราในกายในจิตว่าเพราะมีกายมีจิตจึงมีความทุกข์เกิดขึ้นให้เรากลับเข้ามาเห็น ความไม่รู้ในกายในจิตว่าเป็นตัวทุกข์นี่เองจึงทําให้เราเกิดความยินดีในกายในจิตเนี่ยสอนพ่อแม่อย่างนี้สอนตัวเองยังไม่ได้ยังไม่จะไปสอนพ่อแม่เอาไงดีเอาไง่ายที่สุดนะนับถือพระธรรมนทร์ไตก่อนแล้วไปสอนเรื่องอริยรรสัจสี่ให้พ่อแม่ดีจะห่างล้วเกินนะแต่ก็ถ้าได้ก็ควรจะสอนอามายึดกายยึดจิตอย่างนี้คือยึดทุกข์อะไรที่จะปล่อยวางมันได้ก็ปล่อยวางมันนะอาการทางกายเจ็บปวดเมื่อยมาก็ให้มองเห็นความเป็นธรรมดาของมันนะ อย่าหลงอาการในกายในจิตว่ า, เ, า เ, เราเจ็บทำไมเราเจ็บทำไมเราปวดทำไมเราเป็นนั่นเราเป็นนี่เอาก็แม่แก่แล้วก็เป็นอย่างนี้แหละกายน ม, มีถึงความแก่พ่อแม่ก็ต้องเข้าเข้าใจข้อนี้สอนอย่างนี้แนะนำอย่างนี้แนะนำได้ไหมล่ะยากโดนดา่า <c oughs> มึงเป็นใครประเทศที่กูฟังไง <c oughs> มึงเป็นพระเหรออบอกได้แต่ไม่รู้จะรับได้แค่ไหน ต้องเป็นลําดับไงต้องสอนให้ท่านบริจาคก่อนบริจาคความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปก่อนแล้วค่อยให้ธรรมะให้อริยสัจสแล้วเมื่อเรารู้กายรู้จิตได้แล้วมันก็จะดับเองดับอะไรดับความเล่าล่อนดับความทุรนทุลายดับความกบวนกบวายดับความหลงความยึดความติดความไม่รู้การที่เรารู้จักทุก์รู้จักว่าเหตุคือการยึดถือคือความไม่รู้กายรู้จิตแล้วก็รู้จักการดับไปอย่างนี้แหละคือมัธยสอนแม่อย่างเงี้ยพ่อแม่อย่างเงี้ย สอนไปสอนไปอบรมใจกันไปสอนเราไปด้วยสอนพ่อแม่ไปด้วยเราก็ได้ประโยชน์พ่อแม่ก็ได้ประโยชน์บุคคลนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทาการตอบแทนคุณมารดาบิดาได้อย่างสิ้นสุดสูงสุดแล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรแนะนาบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในโสดาบันแล้วตอบแทนคุณที่สูงกว่านี้มีอีกไหมมีแนะนำบิดามารดาให้ได้สกัดคาคาราี แล้วมีสูงกว่านี้ไหมมีแนะนำบารดาบิดาให้ตั้งอยู่ในอนาคาภีมีสูงกว่านี้ไหมมีแนะนําบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในอรหันและมีการตอบแทนที่สูงสุดกว่านี้อีกไหมไม่มีแล้วสุดที่อรหันแล้วไม่ต้องตอบแทนคุณอะไรอีกแล้วแต่แนะนําพ่อแม่ให้ตั้งอยู่ในพระรัตนตัยนั้นก็คือสูงสุดคือไม่ต้องตอบแทนอะไรอีกแล้วแต่หมายถึงว่าหากแนะนําได้สูงกว่านี้ก็ควรทําเข้าใจไหมแต่ถ้าไม่ได้สูงกว่านี้ คือไม่ได้ชัดชัดองครงการสอนพ่อแม่ให้บริจาคเอาแค่เลื่อมใสในรัตนนาไตาก็พอก็ อ, อย่างน้อยก็ปิดเอายภูมิให้กับพ่อแม่แล้วพระเจ้าบอกว่าหากเรารักเคารพ บ, บิดามารดาเท่ากับชีวิตจิตใจของเราก็ควรเนี่ยนมารดาบิดาให้ตั้งอยู่ในพระาารัตนนาไตเถิดการให้ทรัพย์สินท่านมากแค่ไหนก็ตามเลี้ยงดูท่านให้ข้าวให้น้ําแบกท่านไว้บนบ่าทายอุจจาระปัสสาวะลดตัวเรานี้อยู่ร้อปีเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวดูแลยังไงก็ตาม อยู่ร้อยปีก็ไม่ได้ถือว่าเป็นการการะทการตอบแทนคุณสูงสุดก็าบอกเอางั้นก็บอกให้พ่อแม่ตั้งอยู่ในรัตนาไตาเสร็จแล้วเราก็ตอบแทนแล้วไม่ต้องทำอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องเลี้ยงดูท่านในความหมายที่พูดถึงนี่หมายความว่าไม่ใช่ไปทิ้งหน้าที่ของความเป็นลูกหน้าที่ความเป็นลูกต้องทำอยู่แล้วแต่เรื่องของการตอบแทนคุณเข้าใจไหมตอบแทนคุณนี่คือแนะนาให้บิดามารดาตั้งอยู่ในรัตนนาไต นี่คือการตอบแทนคุณแต่หน้าที่ของลูกที่มีต่อบิดามารดาคือให้ข้าวให้น้ําเลี้ยง ด, ด, ดูเค็ดกี่เค็ดเยี่ยวอุปหักอุปการะดูแลท่านอย่างเงี้ยเหมือนกับท่านเลี้ยงดูเรามาและเป็นการหน้าทําตามหน้าที่ของบุตรที่จะต้องกระทําการตอบเป็นธรรมดานะั่นน่ะต้องทําแต่การที่จะตอบแทนคุณที่สูงสุดคือเริ่มตั้งแต่แนะนําบิดามารดาให้เลื่อนสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้น แล้วก็ถามขึ้นไปว่ากรรมฐานกองกรรมฐานกองฐานสี่สิมีอะไรกสินสิบมีอะไรพรหมิหารสี่มีอะไรพระไตรปิฎกมีอะไรครับถามอย่างนี้ไปอ่านในแบบเอามันมีบอกไว้เรียบร้อยแล้วจะให้อธิบายก็อธิบายไม่เท่ากับในแบบหรอกเพราะในหัวนี้ไม่สามารถจําแบบได้หมดคือจําไม่ได้หมดยอมรับว่าหัวนี้มันจําได้แค่นิดหน่อยๆเอามาพูดเ่ย อยากจะได้รายละเอียดไปดูในแบบในหนังสือในตำราตำรามีอยู่จำไม่ได้หมดเอา้าท่านจําอะไรไม่ได้หมดแล้วนะท่านมาพูดมาเทศมาสอนทำไมบางคนก็บอกท่านไม่มีความสามารถขนาดนั้นมาพูดมาเทศมาสอนทาไมจะมาพูดมาเทศมาสอนอันที่มีอยู่ในแบบแล้วทำไมเล่ามันมีอยู่ในแบบก็ไปค้นหาในแบบสิใครจะไปจาทหมดแล้วเนาะมันเป็นเรื่องในแบบนะถามว่า ผมสงสัยพระวินัยเรื่องการก่อสร้างวัดอารามของสงฆ์ครับเวลาสร้างพระพุทธเจ้าอนุญาตอย่างไรการจะสร้างวัดได้หนึ่งต้องกําหนดสีมา1แล้วนะกําหนดสีมาสอเป็นที่ที่สิทธิ์ขาดจากชาวบ้านนะเข้าใจไหมคือเป็นที่ที่หมดสิทธิ์ขาดจากกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านเด็พูดยังไงหมายถึงว่า ชาวบ้านก็ไม่มีสิทธิ์หมายว่าขาดความเป็นสิทธิ์ในพื้นที่นี้ในกรรมสิทธิ์ต้องไม่มีแล้วชาวบ้านยกพื้นที่ตรงนี้ตามสีมาที่กำหนดสีมาคือเขตแดนว่าแดนมันอยู่ตรงไหนที่เขาจะกำหนดให้เราถวายวัดเนี่ยกำหนดสีมาก่อนกำหนดเขตแล้วก็ทำให้ขาดจากความเป็นสิทธิ์ของชาวบ้านเป็นสิทธิ์ของสงฆ์โดยตรงแล้วก็ อนุญาตอย่างไรโเรื่องนี้เรื่องของอารามนี้มั น, ม, นมีหลายที่นาที่ปา่าที่จับจองของชาวบ้านที่มีเจ้าของที่สวนที่ไล่ที่มันมันมีหลายที่ตามแต่ที่ที่เขาจะถวายให้เป็นสิทธิ์กับสงฆ์เนี่ยในการสร้างอารามเนี่ยหลักการใหญ่ก็คือหนึ่งกำหนดสีมาก่อนสอง ทำให้สีมาที่ ท, ที่กําหนดไว้เนี่ยพื้นที่ที่เขาจะให้เนี่ยอยู่ในเขตแดนของของสองโดยตรงเป็นเขตสังขาวบ้านนะไม่ไม่ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของชาวบ้านสามสงประชุมกันรับที่จะดูแลพื้นที่นี้4การก่อสร้างจะต้องไม่ก่อสร้างด้วยการพระภิสูปเปล่าประกาศให้เงินเอาเงินมาทําการก่อสร้าง แต่เป็นหน้าที่ของชาวบ้านที่เขาจะต้องรวบรวมทุณวัรถ์กันเองแล้วก็เอามาสร้างแค่นี้ก็ไม่มีอะไรมาก ค, คือคือหลักๆอย่างนี้แต่ในรายละเอียดมันอยู่ในแบบในแบบในพระไตรปิฎกมันก็เอามาพูดรายละเอียดกันได้ยากเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆแต่ที่ทำมาอยู่ในทุกวันนี้เรื่องการสร้างวัดตามมันจะมีสร้างแบบตามกฎหมายบ้านเมือง อันนึงกับสร้างแบบตามพ่อธรรมวินัยสร้างแบบตามกฎหมายบ้านเมืองก็ต้องไปไล่ดูระเบียบของบ้านเมืองก็ต้องส่งเรื่องขอไปตามระเบียบสำนักพูดหรือระเบียบของสงฆ์ที่เขาทากันนั่นแหละนั้นคือระเบียบทางบ้านเมืองแต่ระเบียบพระวินัยก็แค่กําหนดสีมาท่นั้นเอเขตแดนของของสงฆ์อันนี้เป็นเขตแดนของสงฆ์เท่านั่นแหละแต่นั้นก็สร้างได้ ถามว่าพระโพธิสัตว์ต้องเป็นหัวหน้าทุกภพทุกชาติไหมครับเป็นไหมพระโพธิสัตว์ต้องเป็นหัวหน้าทุกภพทุกชาติหรือเปล่ามีมชาติไหนสมัยไหนที่ไม่ได้เป็นหัวหน้าบ้างมีไหมก็คือพระโถพระโพธิสัตว์ที่บรมียังอ่อนอยู่ใช่ไหมพโพธิสัตว์ที่บรมียังอ่อนอยู่ก็ต้องเป็นลูกน้องบริวารของโพธิสัตว์ที่บรมีแก่กาแล้วคําว่าโพธิสัตว์นนัในยุคสมัยนี้จะมุ่ว่า ถ้าเป็นสมัยนี้นะโพธิสัตว์ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะมีเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะแม้ในศาสนาอื่นก็มีโพธิสัตว์นะไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะในพุทธศาสนาแต่บรารมียังอ่อนอยู่หากบรารมีใครยังอ่อนอยู่โพธิสัตว์นั้นก็อยู่ใต้อำนาจของโพธิสัตว์ที่มีบรารมีแก่กว่ามันจะดูดด้วยอำนาจบรารมีกันนี่คนะือไม่จําเป็น หมดคำถามไม่มีการถามแล้วเราน้นมีแต่อรุโมทนาอาจารย์คะถ้าแนะนำให้พ่อแม่บริจา克拉่างกรรายอะไรคะบบริจาค ร, ร่างกายก็ดีก็อยู่ในส่วนของการบริจาคอย่างหนึ่งแนะนำบิดามารดาให้ตั้งอยู่ในการบริจาค ก, ก็ได้บุญก็เป็นการตอบแทนบุญคุณได้ในส่วนหนึ่ง ข, ข้อคำบาบริจาคมารว ม, มคือในความหมายหลักๆคือการสละออกเสียสละเสียสละมันใช้ได้ในลหลายๆส่วนมันเป็นความกว้างกว้างมากกว่าทานทานให้นี่ยังยังจำกัดอยู่ว่าถูทานใช่ไมละ่ะวาถูทานหรืออาพยาทานอะไรเนี้ยแต่บริจาคนี่ได้ได้เยอะมากเลย เราต้ ier, diary, warriors, ci, องเข้าใจคำว่าโพธิสัตว์นะโพธิคือผู้ที่จะเข้าสู่ความเป็นผู้รู้สัตตะสัตว์นี้มาจากคำว่าสัตตะนะไม่ใช่สัตวะไม่ใช่นะสัตวะอันนั้นเป็นสัตว์เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าสัตตะนี้คือสัตว์ต่อเต่าสัตตกับต้ต่อเต่าสัตตะแปลว่าผู้คล่องโพธิแปลว่าความรู้ผู้ยังคล่องอยู่ในความรู้หมายถึงว่ายังรู้ไม่หมดยังรู้ไม่หมดทุกอย่าง จะต้องบำเพ็ญความรู้นี้ให้เต็มพอเต็มปุ๊บก็จะต้องไปเป็นพู้ไเจ้าคําว่าโพธิสัตว์หมายถึงว่าผู้ที่มุ่งจะไปเป็นผู้ไดเจ้าโพธิสัตว์จะมีหนึ่งสมมาสัมพุทธะโพธิสัตว์คือมุ่งที่จะไปเป็นสมมาสัมพุทธะสองปัจเจกโพธิสัตว์มุ่งที่จะไปเป็นปัจเจกของผู้ไเจ้าสสาวกพุทธะโพธิสัตว์มุ่งที่จะไปเป็นสาวกไปตัสรู้เป็นสาวกของพู้ไเจ้าในเบื้องหน้านะ ทีนี้ในศาสนาอื่นในขณะที่บําเพ็ญบางทีมันก็ต้องตกไปอยู่ศาสนาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิบ้าเพราะกาลังบําเพ็ญทาไมจะต้องไปตกมิจฉาทิฏฐิเพื่อจะเรียนรู้ว่ามิจฉาทิฏฐิไม่มีประโยชน์คือพอที่สัตว์เขาจะาสะสมอย่างเงี้ยบรารมีไม่ใช่ว่าจะต้องเกิดในพุทธศาสนาเท่านั้นนะเพราะพรุทธเจ้าเราก็เกิดาศาสนาพราหมณ์ไม่รู้กี่ใช่ไหมหล่ะเพราะพุทธศาสนายังมีมีแต่หากโพธิสัตว์ใด เกิดในยุคที่มีพุทธศาสนาโพธิสัตว์นั้นจะต้องคร้อยตามพุทธศาสนาหากโพธิสัตว์เราได้ที่ไม่คร้อยตามพุทธศาสนาโพธิสัตว์นั้นถือว่าเป็นบา ร, รมีที่ยังเรียกว่าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เฉียดเข้ามาใกล้ทางที่จะไปสําเร็จสู่ความเป็นโพธิสัตว์ได้โดยง่ายโพธิสัตว์บางอย่าพวกก็ ต, ตกนรกไปสุด <departed. |mt|>. ไปสู่ศาสนาที่เป็นมิจฉาทิฏฐิปับ๊บ ร, รู้แล้วว่ามีไม่มีประโยชน์แต่ด้วยความ <Sí. S 1> ที่เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเขาเป็นอาจารย์เขาเป็นหัวหน้าเขาแล้วถือถือทิฏฐิมาณว่ากูรู้ดีกว่าคนอื่นแต่ร <mm ู้ว่าทิฏฐานศาสนาตัวเองไม่มีสาระนะไหมแต่ยึดถือทิฏฐิว่าเราเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะนี่จะสอนอะไรอีกจะไปยอมรับศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นก็ไม่ยอมเพราะตัวเองเป็นหัวหน้าแล้วไม่ยอมเป็นลูกศิษย์ใครได้อีกแล้วก็เลยว่าทิฐิเจ้าหมูเจ้าคณะประเทศเนี่ย อ่าแล้วก็ต้องไปสู่อาบายภูมิก็ต้องไปรู้อีกว่าอ๋อพอเราประพฤติผิดในทิฏฐิมัมิจฉาทิฏฐินี่เองจึงไปสู่อาบายภูมิก็ได้เพิ่มความรู้ขึ้นไปอีกไปตกนรกก็ไปเพิ่มความรู้คือพอที่สัตว์คือผู้ทธิพ่องอย่างอยู่ในความรู้น่ะรู้ยังไม่หมดบางทีก็มานั่งคิดเอ๊ะนกมันบินไปได้ยังไงวะบนท้องฟ้าก็สงสัยก็รู้ต้องไปเกิดเป็นนกถึงจะรู้ไอ<ม>้ไส้เดือนมันอยู่ในดินได้ยังไงวะมีอากาศหายใจหรือเปล่าก็สงสัยอีกยังไม่รู้ก็ไปต้องเกิดเป็น ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัฉานทุกชนิดโหที่สัตว์นี่นะ mm hmm. เา้ามันยังไม่รู้อ่ะพอมาสําเร็จเป็นสมาสัมพุท ธ, ธะความรู้ที่เคยเวียนเกิดเบียนตายสะสมมาในดวกิดเนี่ยกู mm hmm. รู้แล้วว่า <c oughs> นกเป็นยังไงกูรู้แล้วไสเดือนเป็นยังไงกูรู้แล้วว่าสัตว์เดรัจฉานเป็นยังไงกูเกิดมาแล้วคุณเจ้าอ่ะนรกมันร้อนแค่ไหนพวกบอกว่าเราก็ไปเกิดมาแล้วในนรกเราก็ไปมาแล้วอย่าไปเลยสัตว์เดรัฉานอย่าไปเลยเราไปมาแล้วพวงว่ะ เราไปเกิดมาเป็นทุกชนิดมีชนิดเดียวที่เราไม่เคยเป็นคืออะไรรู้ไห ม, ไมสุดท้าวาดพรมไ ม, ไม่เคยไปเกิดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะบุคคลใดก็ตามไปเกิดอยู่ที่สุท้าวาดพรมบุคคลผู้นั้นจะไม่กลับมาสู่โลกมนุษย์นี้อีกเลยตลอดอนันตการจะมุ่งหน้าไปสู่พันธิพานโดยแต่เดียวเป็นที่อยู่ของพระ อ, อนาคามีเท่านั้นเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ จะต้องไม่มีคุณธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปนะโพธิสัตว์จะมีสติมีปัญญามีฌานมีสมาธิมีศีลอบรม จ, จิตใจแต่จะไม่จะอบรมแค่ไหนก็ตามเข้มข้นแค่ไหนก็ตามยอดเยี่ยมแค่ไหนก็ตามจกไม่ได้มรรคผลในชั้นโสดาบันเด็ดขาดและโพธิสัตว์ใดหากพระพุทธศาสนายังดำรงอยู่โพธิสัตว์นั้นจะต้องสอนคล้อยตามกับหลักคําสอนในพุทธศาสนาหากโพธิสัตว์ใด สอนขัดแย้งกับหลักคําสอนของพุทธศาสนาโพธิสัตว์นั้นสอนโพธิสัตว์นั้นก็จะต้องขัดแย้งกับเส้นทางของตนเองเพราะอะไรเพราะเส้นทางของตัวเองจะต้องไปไปสู่ความเป็นพุท ธ, ธะหากสอนสิ่งที่ขัดแย้งกับพุท ธ, ธะก็คือขัดแย้งกับเส้นทางที่ตัวเองปรารถนาปรารถนาความเป็นพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าในปางก่อนในขณะที่พระองค์ยังทรงบําเพ็ญอยู่เมื่อเจอศาสนาของพระพุทธเจ้าเราท่านจะไม่ตั้งลัติ ท่านจะไม่ตั้งลทัทธิขึ้นมาใหม่เลยนะท่านจะยอมอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนขอบวชแล้วตั้งตนอยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทรงพระไตยปิฎกเรียนคําสอนพระพุทธเจ้าขององค์ก่อนน่นให้รอบรู้ในพระไตรปิฎกทั้งหมดในคําสอนแต่ไม่บรรลุใช่ ไ, ไหมจะเรียนคําสอนพระไตรปิฎกรู้แจ่มแจ้งชัดเจนแต่แค่ไหนก็ตามไม่มีการบรรลุธรรมแต่ช้าในพระไตรปิฎกแต่ไม่บรรลุเพราะอะไรเพราะโพธิญาณกั้นไว้ เพราะโพธิญาณที่เป็นอุปนิสัยในจิตนั้นที่เป็นความปัถนาตั้งตั้งอยู่ในจิตที่แรงกล้านั้นจะบอกไว้เลยว่านู่นรอเบื้องหน้านูน่นยังอย่าบรรลุตอนนี้ถามว่าบรรลุตอนปัจจุบันนี้ได้ไหมได้แต่ไม่ใช่อุปนิสัยไม่ใช่สิ่งที่ปรารถนามาท่านก็จะยับยับยันไว้ไ ง, ไ, งไม่ให้จิตเข้าสู่การบรรลุท่านก็จะบอาเพ็สืบต่อไปโพธ่สัตว์ก็สามารถทําไม่ดีได้ เพราะเป็นการสั่งสมความรู้ไปเพราะบนเรื่องก็ยังสงสัยอยู่พอไปบรรลุเป็นสมมาสัมพุท ธ, ธะไม่มีเรื่องสงสัยแล้วมันแทงตลอดหมดแล้วไงรู้หมดแล้วรู้หมดทุกเรื่องแล้วผิดก็รู้หมดหมดแล้วถูกก็รู้หมดหมดแล้ววางทั้งผิดวางทั้งถูกดับเข้าสู่ความเป็นพุท ธ, ธะตัดสรุปอริยสัจ ส, สี่เพราะฉะนั้นหาดพุทธศาสนายังมีอยู่ตราบใดและ โพธิสัตว์เมื่อยังมีอยู่ขณะที่พุทธศาสนายังทรงอยู่โพธิสัตว์นั้นจะต้องไม่สอนขัดแย้งกับหลักของพุทธศาสนาหากโพธิสัตว์สอนขัดแย้งกับหลักของพุทธศาสนาโพธิสัตว์นั้นจักไปสู่อบายภูมิแน่นอนยืนยันเพราะฉะนั้นโพธิสัตว์ที่เกิดขึ้นเป็นกระแสอยู่ทุกวันนี้ที่ไหนไหนก็ตามระวังตัวให้ดีครับที่ขัดแย้งกับคําสอนพระเจ้าคือบางทีเอาดึงคําสอนพระเจ้าไปแอบแฝงใน ในรัที่ของตัวเองก็มีเอาไปแฝงอ้างเพื่อใช้เป็นเส้นทางว่าตนเองบําเพ็ญก็มีพธิ่ัตว์เหล่านั้นเพื่อให้คนลงเชื่อและก็ติดยึดอยู่ในลัที่ของตนอันนั้นเตรียมตัวไปนรกอาตมาก็เห็นเา้าส่งภาพมาให้ดูที่สุลิน่ะที่ว่าผู้หญิงแสดงตัวเป็นโพธิสัตว์หรือใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่รู้นะอันนี้ เห็นมาแสดงตัวเป็นโพธิสัตว์หรือเป็นผู้รู้หรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแหละที่ที่สูงสงที่ควรค่าแก่การการกาบไหว้เขารบสักการะแล้วเดินไปให้คนไหว้แม้กระทั่งพระก็ยังก้ามากราบไหว้นะขณะพระยังต้องกราบไหว้นะอันนั้นเตรียมไปนรกโพธิสัตว์นั้นหรือว่าผู้ผู้ที่ทําอย่างนั้นผู้หญิงเนี่ยให้พระกราบไหว้นะ<อ>เตรียมไปนรกพระที่กราบไหว้ผู้หญิงก็เตรียมไปนรกไปด้วยกันหมด ไปไหว้กันอยู่ในโลกนู่นอันนี้พูดไม่ได้พูดดูหมิน่นไม่ได้พูดปลามาะนะอันนี้เป็นความจริงนะถ้าหากคิดว่าเป็นการดูหมิ่นก็ขออภัยอันนี้พูดตามหลักคําสอนของพุทธศาสนาจะไหมขนาดภิกษุณีมีพรรษามากแค่ไหนก็ตามร้อยพรรษาใช่ไหมจะต้องการไหว้ภิกษุที่บวชในวันนั้นเอ๊ะการไหว้สามเณรด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเฉพาะภิก ษ, พพกษุไม่ได้ไหว้สามเณรเออใช่เอาเฉพาะภิกษุ Mm hmm. อันนี้ไปยืนให้พระมากราบไหว้ลยเนี่ยโอ้มันรับไปได้ยังไงทิความปรารถนาฮะทิ้งความปรารถนานั้าโพธิสัตว์ใดทิ้งความปรารถนาในความเป็นโพธิญาณอย่างแรงกล้าไม่เอาแล้วเว้ยมันพุกกูรู้ตัวว่ากูต้องไปตนนรกอีกร้ายร้อยชาติกูไม่เอาแล้ววานโลกนี่เบื่อนายก็มันแล้ว ร่างกายเกิดมาก็เจ็บก็ป่วยก็ตายแค่นี้ก็ทําให้กูสลดสังเวชพอแล้วกูไม่เอากับมันอีกแล้วเกิดอีกก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกเกิดอีกก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกไม่ต้องไปรู้อะไรมากกว่านี้แล้วเอารู้แค่ในดับสาวบกภูมิน้อมใจเข้าไปเป็นสาวบของพระสมาสำมุทิเจ้าในปัจจุบันนี้แล้วบําเพ็ญจิตพี่นาอุริยสัตว์สบรรลุในชาตินี้ได้สบายๆง่ายๆขี่หมูขี้หมาเลยนะมาจัดครับแล้วพี่ ที่ภาคใต้ที่เขามีเหมือนมันถือสีมันกินเจอะ่ะที่เขามีมันมีร่างทรงหรือมันอะไรที่เขาแห่กันนะอันนั้นมันอันนั้นก็เป็นอาการเป็น ป, นปนระเพณีประเพณีอนนะไรประเพณีกินเจประเพณีเข้าทรงประเพณีขึ้นครูประเพณีบวงสวงเส้นไหวครูพ่ธีไหวครูนะ แบบ ค, คนที่ไปร่าทรงแล้วชอบแบบเขาลีบหเอาอะไรมาเฉลอะไรอย่ยอออไงไงนะคะแสดงอิทธิฤทธิ์สแสดงอำนาจแสด ง, สดงความแปลกประหลาดความศักดิ์สิทธิ์ให้คนได้เห็นเป็นพิธีประจักต่อสายตาคนทุกวันนี้อะไรก็ตามที่มันอยู่นอกเหนือสายตามันจะไม่ค่อยเชื่ออะไรก็ตามที่ประจักษ์ต่อสายตาคนเชื่อเชื่อปุ๊บก็หลงผิดได้ง่ายในการที่จะยึดถือแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาถ้าก็เยอะด้วยนะประเภทนั้นอันนี้เป็นมิจฉาทิฐิผู้เยาบอกว่า ไม่ได้ทําให้คนคนทุกข์แทงไม่เข้ายิงก็ไม่เข้าเอามีดมาเฉือนก็ไม่เข้าไม่ได้ทําให้คนคนทุกข์แทงเข้ายิงเข้าเอามีดมาตัดเอาวัยถุธาตุชินช้นชิ้นน้อยชิ้นใหญ่แต่จิตไม่มีทุกข์นั่นคือจิตที่พ้นจากความทุกข์ผู้ย่าให้ความสำคัญกับจิตไม่ได้ความสำคัญกับกาย ตายสุดท้ายมัคือตายจะแทงไม่เข้าก็ต้องตายจะยิงไม่เข้าก็ต้องตายจะเอาบีดมาหันมาบันไม่เข้าก็ต้องตายกายไม่เกินร้อยปีหรือเกินไปก็ต้องตายอยู่ดียังไงก็ต้องตายถามว่าพ้นทุกข์ไหมไม่พ้นหากไม่มาดำเนินตามมรรคแปดไม่มีทางพ้นทุกข์พระพุทธเจ้าก็ยิงเข้านะถูกก้อนหินเทวทัศน์นั่นนะ่ะปิ้วกระทบหลังข่อบาดบวมปูดขึ้นมา แล้วมันจะเอาหนังเหนียวมาอย่างไรครับผู้ไดเจ้ายังไม่เหนียวเลยล้วมันมันมีมาหนังเหนียวมันก็เป็นได้มันก็เป็นเดรลฉานวิ ช, ชาผู้เจ้าก็บอกว่าไม่ใช่วิ ช, ชาทุกอ ง, งสอนเขามาเดลฉ า, านหมายถึงว่าขัดขวางเข้าไหมขาดขวางเส้นทางแห่งการไปสู่มรรคผลนิพพานขัดขวางเส้นทางแห่งการปนทุกข์แล้วว่าเดรลฉานเดรลฉานติราฉานอะแปลว่าขวางขวาง ลำตัวขวางคือเดลฉานลำตัวตรงคือมนุษย์ขวางมันไปโดยขวางคานไปเลื้อยไปนะเดลฉานแม่กวนอิมนะสอนอะไรสอนสิ่งที่ขัดแย้งกับพุทธศาสนาหรือเปล่าแม่กวนอิมนะเหมือนจะไป ไม่แน่ใจจะสอนยังไงก็ตามหากสอนให้คนกราบไหว้ตนเองและสร้างรูปเคารพขึ้นมาให้คนอื่นกราบไหว้ก็ถือว่าหลงแม่แม่คนอิมอาจจะสอนดีสอนถูกตามแนวทางเห็นโพธิสัตว์แต่สาวกมาสร้างรูปปั้นแล้วเป็นที่สักการะเขากราบไหว้อันนั้นสาวกผิดสาวกของแม่คนอิมนะประพฤติผิด ใช่ศาสนาพุทธเราสร้างพุทธรูปอาตมาเห็นอยู่ที่นึงที่สร้างห้าองค์เรียงกันลงมาองค์ใหญ่ลงมาลงมาห้าองค์เคยเห็นไหมเออไม่บอกหรอกที่ไหนอยู่ที่นั่นแหละที่เขาสร้างอหละองค์แรกคือพระพุทธเจ้าเอ อ, อเขาสร้างคือเจ้าห้าพระองค์ใช่ไหมล่ะองค์แรกคือใครกัคคูสันทะพุทธเจ้าคือในในพัทธลกับนี้นะกัคคูสันทะพุทธเจ้าใช่ไหม อันนั้นองค์นั้นเป็นพุทธเจ้าแล้วใช่ไหมในอดีตนั่นนะ่องค์ที่สองเป็นโกนาขามณะพุทธเจ้าในความหมายที่เขาจะสื่อออกมานะองค์ที่สามก็เป็นพระกสสปะพุทธเจ้าองค์ที่สี่เป็นโคตมะพุทธเจ้าองค์ที่ห้าเป็นศรีอรยิยเมตไตยะพุทธะคือพระธ ร, กรักษณนี้พุทธเจ้าหาพระองค์เขาจึงสร้างสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่เคารพสักากราระไหว้องค์แรกเป็นพุทธเจ้าแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วองค์ที่สองก็เป็นพุทธเจ้าแล้ว กคคูสันทะกสปะก็เป็นผู้เจ้าแล้วก็ล่วงไปแล้วโกนาคมณะก็เป็นผู้เจ้าแล้วก็ล่วงไปแล้วโคตมะคือผู้เจ้าเราก็เป็นผู้เจ้าแล้วแล้วก็ล่วงไปแล้วแต่ศาสนายังคงอยู่สีอริยเมตไตยะเป็นผู้เจ้าหรือยังยังเมื่อยังไม่เป็นผู้เจ้ายังชื่อว่าเป็นปุถุชนอยู่ใช่ไหมการปัน้นรูปของปุถุชนขึ้นมาซึ่งยังไม่เป็นผู้เจ้าเอามากลา่าวใบงมงายไหม คือจริงๆ ง, งมงายมาตั้งแต่รูปขรรพตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนแล้วแหละแต่ยิ่งมาสร้างรูปศีรษอริยเมตตา ย, ยะซึ่งยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าแต่จะเป็นพระพุทธเจ้าอานาคตอานาตกันเป็นหรือยังยังก็คือยังเป็นปุถุชนอยู่เมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่เอารูปปุถุชนมาสร้างแล้วกราบไหว้มันก็ยิ่งจะงมงายงมงายไปยิ่งกันใหญ่ลงแทนมันเป็นเพราะว่าองค์ที่หนึ่งองค์ที่สี่เขาอยากให้ให้คนทั่วไปรู้รับรู้หรือเปล่าว่าประวัติมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้า ประวัติ<ด>ก็ไม่จําเป็น<ส>ต้องไปสร้างอย่างนั้นแต่หมายถึงว่าถ้าอย่างอย่างาาย อ, อย่างถ้าการสื่อเนี่ยบางทีบางคนเขาจำเป็นไ ม, ไม่ได้รับรู้นะคะมันรับรู้จากการถึงรูปล่างอย่างเงี้ยไม่เมื่อสร้างรูปร่างมาแล้วรับรู้ไหมหละ่ะรับรู้ไหมว่าห้าองค์นี้คืออะไรความหมายรับรู้ไหมเขาไม่ได้รับรู้แต่มันมีอยู่เอเะเป็นเครื่องสือออกมาให้รู้นะห้าองค์นี้คืออะไรใช่ไหมห้าองคืออะไร แล้วถ้าบอกว่ารับรู้จริงๆหาัรู้ด้วยข้อมูลเข้าเข้าใจจริงๆทําไมองค์ที่5้สีอริยเมตตาเนี่ยเอามาให้คนกราบทำไมซึ่งยังเป็นปุถุชนอยู่ภาษีอริยเมตตาไม่ควรกราบไหว้เพราะยังเป็นปุถุชนอยู่ยังไม่ทันไม่ถึงเสี่ยวหนึ่งของพระโสดาบันเลยคุณคุณธรรมนะแต่บรารมีเรายอมเพราะยังไมเรื่องบรารมีนะแต่เรื่องการทําละกิเลสเนี่ย ยังไม่ถึงเสี่ยวของพระโสดาบันเลยเข้าใจไหมล่ะหากจะมองเรื่องของว า, ารุปขรรภเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การเครรภโดยเป็นเครื่องสื่อถึงพระพุทธเจ้าเมื่อภาษีอริยเมตไตร ย, ยังไม่ใช่พระพุทธเจ้าเอามาสร้างลูกคารภรวมกันไว้ทําไมแสดงว่าคนไม่รู้จริงๆเ่ยมันยังไม่สามารถเป็นเครื่องสื่อให้คนได้เข้าใจได้ไง่ายๆ ยังสื่อไม่ได้เป็นสื่อแบบหลงเป็นสื่อสื่อแบบงมงายแต่หลักคาสอนที่สอนการเขาสอนดีนะแต่ทําทําอีกแบบหนึ่งอนะ่ะสอนให้ปล่อยให้ละให้วางให้ใครแต่แต่ทําเวลาทำนะ่ะทำให้คนยึดติดเอ่ยคาสอนกับการการะทำมันขัดกันมันไ ม, ไม่ไปด้วยกันแต่องค์นี้สอนนี่ทั้งคําสอนทั้งการการะทํามันไปด้วยกันหมดเลยนะเนี่ยสอนไม่ให้ มีการยึดการติดการละให้มีการละการคลายการวางก็ไม่ให้มีให้ยึดให้ติดนั่นอยู่นี่นหรือติดอยู่เหรออยากติดก็ติดแล้วเอานั้นอยู่ที่คนจะติดติดในความไม่มีอีกนั่นแหละที่นี่ถ้ามันจะติดนะแต่ท้าคนมันไม่ติดยังไงก็ไม่ติดแต่ยังไงก็ตามหากจะสร้างความงมงายให้คนจะอย่าสร้างความงงงงายในด้านนั้นมันไม่ใช่เหตุผลที่เราจะต้องไปยอมรับได้หากพยายามคิดสักนิดหนึ่งไม่ควรจะสร้างขึ้นมาด้วยซ้ํา ค่ะพระองค์อันนี้ก็ไม่ใช่การพูดปรามาอีกนั่นแหละแล้วจะหาว่าพูดปรามากันไปอีก เ, ย, เยอะแยะมากมายก็ขออภัยหาคิดว่าปรามาขออภัยทุกเรื่องกันแหละอัตมาพูดอะไรมาก็ไม่ได้มีจิตที่จะปรามาตแต่เพื่อจะอธิบายให้ทราบให้แยกแยะกันบ้างไม่ใช่จะกลมหน้ากลมตากราบไหว้กันอยู่อย่างนั้นนะหลับหูหลับตากราบไหว้เขาว่าดีก็ดีไปตามๆกันหมดไม่รู้ดีหรือเปล่าไอ้นคนที่สรางก็ ก็รู้อยู่ว่าใครสร้างท่านก็เป็นครูบาอาจารย์ที่นา่าเคารพผู้หนึ่งมีคุณธรรมผู้หนึ่งก็ยอมรับอยู่ในคุณธรรมของท่านแต่การส ร, ร้างนั้นเราไม่ยอมรับไม่ใช่ว่าท่านจะเป็นครูบาอาจารย์มีคุณธรรมระดับนั้นแล้วเราต้องยอมรับทุกเรื่องยอมรับไม่ได้ทุกเรื่องไม่ได้บางเรื่องปฏิเสธก็ควรปฏิเสธอย่ายอมรับเนี่ยเป็นอรหันต์แล้วจะเชื่อหมดทุกเรื่องอย่าเชื่อนะเต็จขาดนะเชื่ออะไรเฉพาะหลักธําที่ท่านสอนแต่ยังอื่นอย่าไปเชื่อเอ๊ยใช่ไหม เพราะความประพฤติของขันธ์บางครั้งมันก็มีพลาดบ้างไม่ใช่ถูกเสอมอไปใช่ไหมล่ะองค์ภาษาริบุตรองค์ขันยังพลาดเลยพระโมคคัลลานะองมขันธ์ก็ยังพลาดเลยองค์ขันไม่ได้รู้หมดเลยใช่ไหมพระโมคคัลลานะยังขี้สงสัยหนักเลยพระโมคคัลลานนี่ไปเห็นวิมานเปล่าอยู่บนสวรรค์ไปถามเทวดาวิมานใครเทวดาก็บอกก็วิมานคนที่เขาทำบุญในโลกมนุษย์พอโมคคัลลาน่ะว่าห า, ห า, หาเหลือคนยังไม่ตายทําไมวิมานยังมาอยู่บนสวรรค์ เทวดากบอกมันก็เป็นอย่างนี้แหละท่านอา๋อเป็นอย่างนี้เลยก็ใช่เป็น阿拉หาันะบอกขนาดนะั้นยังยังไม่รู้ยังสงสัยกูไม่เชื่อว่ะพราะบอกคณะว่าไม่เชื่อเทวดาหายแว บ, บจากเทวโลกมาปรากฏตัวต่อหน้าพูทา้ทีเจ้าประกาศทุนผูทธเจ้าสาธุพระเจ้าข้าข้าพระองเห็นวิมานของบุคคลที่ยังไม่ตายอยู่บนสวรรค์มันเป็นไปได้หรือพระเจ้าข้าที่คนไม่ตายแล้ววิมานจะปรากฏอยู่บนสวรรค์เพราะการทำบุญพระเจ้าบอกว่าไงรู้ไหมเธอก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือ จะมาถามทำไมอีกพระเจ้าข้าพระองเห็นแล้วเออก็เห็นแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละโมฆรานะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละสาธุพระเจ้าข่ายอมรับสินี่เพราะนั้นความสงสัยในแง่มุมบางแง่มุมะเราจะต้องนํามาตั้งเป็นข้อคิดมาอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรไม่ควรเข้ากับหลักคําสอนหรือไม่เข้ากับหลักคําสอนไม่ใช่ว่าพระอรหันต์ท่านจะรู้หมดทุกเรื่องไม่มีทางรู้หมดทุกเรื่องยืนยัน รู้ไม่หมดอ่ะท่านรู้เฉพาะการลักกิเลส ข, ของตนเท่านั้นแต่เรื่องอื่นท่า น, นก็ไม่รู้เอาตะมาไปปล่อยอยู่สหรัฐอเมริกาไปไม่ถูกหรอกซอยไหนเป็นซอยไหนไปไม่ถูกเดินตามก้นเขาคนที่เขาอยู่นะ่ะถึงจะไปได้จะไปขึ้นรถไฟฟ้าอยู่กรุงเทพยังขึ้นไม่ถูกเลยตะมาไม่ใช่จะไปรู้หมดทุกเรื่องอนะขนาดกลับไปกรุงเทพที่ตัวเองเคยอยู่ ที่ตัวเองเคยไปยังงงยังสงสัยไอ้ซอยนี้ไปไหนเส้นทางนี้ไปไหนไอ้นี่มาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก่อนก็เห็นแต่ทุ่งหญ้าทุ่งอะไรกันอนี่มันมาตึกนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่งงที่นี่ไปไม่ถูกงงเลยยังงงเลยอะแค่ระยะลาระยะเวลาที่มันเปลี่ยนมันไม่ใช่จะรู้หมดทุกเรื่องเชื่อในหลักธรรมนะเชื่อแต่อย่าไปเชื่อในการกระทําบางเรื่องเท่านั้นเองอย่าไปเชื่อเนื่องไปเรื่องส่วนตัวของท่านท่านพ้นโทษแล้วก็ อย่าปรถือเป็นคติเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะสร้างอะไรมาอย่าลงใจว่าถูกต้องเสียทั้งหมดโดยเฉพาะสร้างรูปเคารพขึ้นมาผิดพลาดมากคนที่สร้างขึ้นมานั้นไม่เทียบเทยงกับคำสอนของพระพุทธเจ้ากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วสุดท้ายก็ลงจุดเดิมคืออะไร <c ười> คืออะไรแหล่งท่องเที่ยวอะไรสอ่าก็นั่นแหละ เอามาพอมันมีแล้วก็ต้องบุรณะเันในเมื่อไหร่เออเรียไรซัอคนไปเที่ยวก็ตามระเบียบที่นี่หยอดเงินเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเรื่องเงินอีกเจดีชัยมงคลมีรู้กี่พันล้านไปยัสร้างมเสษจอยู่ตอนนี้องค์ท่านก็ละสันถานไปก่อนแล้วองค์ปูสียมไดซี่ ถ, ถามว่าอารมณ์เมตตาผู้ที่ได้อานิสงส์คนแรกคือตัวเราเวลาจะแผ่เมตตาออกไปถ้าไม่มุ่งออกไปข้างนอกผู้ที่เราจะแผ่จะเจ้าอารมณ์นั้นยากจะเข้าอารมณ์นะถ้ามุ่งออกเวลาจะแผ่เมตตาออกไปถ้ามุ่งออกไปข้างนอก หมายถึงว่ามุ่งที่จะแผ่ให้แก่ผู้อื่นผู้ที่เราจะแผ่ให้จะเข้าอารมณ์นั้นยากกว่าการตัง้งกิตเมตตาในตนเองเมตตาตนเองที่โกรธที่ไม่พอใจพอเมตตาตนเองแล้วค่อยนึกแผ่ออกไปรู้สึกว่ามันจะเข้าอารมณ์เมตตาได้ง่ายกว่าอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องเข้าใจไหมถ้าเราไม่เริ่มตั้งแผ่เมตตาภายในตนเองก่อนแล้วค่อยแผ่ออกไปจากภายนอกแล้วคือ ไม่ได้สร้างเมตตาจากภายในแผ่ไปเลยอันนี้มันจะไปได้ยากต้องเริ่มจากการสร้างอารมณ์เมตตาภายในตนก่อนแล้วค่อยแผ่ไปมันจะแผ่ไปเองอัตโนมัติถ้ามันมีเมตตาในตนเองแล้วมันจะนึกถึงคนอื่นเองในตันมัติจะถูกแผ่ไปแผ่โดยการนึกนึกถึงใครจะถึงอาการแผ่จะถึงคนนั้นอาการกระแสแห่งเมตตาจะไปถึงคนนั้นอย่างเงี้ย ถูกต้องการแผ่เมตตาเนี่ยคือธรรมชาติที่แสดงออกมาให้กับจิตได้รู้เองแสดงว่าคนผู้นี้ได้เข้าใจหลักธรรมชาติของจิตแล้วนะจึงได้สามารถอธิบายหลักอย่างนี้ได้พระยาจึงบอกว่าอะหังสุขิโตโหมิให้ตัวเองเป็นสุขก่อนขอเราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดเอ๊ะใครไม่ต้องการให้ตัวเองเป็นสุขอ่ะใช่ไหมล่ะ ก็คนทุกคนก็ต้องการให้ตัวเองเป็นสุขมานั่งบอกให้ตัวเองเป็นสุขเป็นสุขเอ๊ะมันใช่เรื่องหรือเปล่าหลักการแผ่เมตตาทางพุทธศาสนาเป็นหลักการแผ่เมตตาอย่างไงกันแน่พูดง่ายว่าขอยข้าพเจ้ารักตัวข้าพเจ้า <c oughs> เอ๊ะใครไม่รักตัวเองแล้วทำไมจะต้องมาบอกให้ตัวเองรักตัวเองเราแน่ใจเลยว่าเรารักตัวเองถ้าเรารักตัวเองเราจะโกรธคนอื่นไหม เพราเรากรธคนอื่นเนี่ยเราทุกข์หรือเขาทุกข์ เ, กเอาเมื่อเราทุกข์แล้วว่าเราความโกรธที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราทําลายตัวเราใช่ไหมผูกคนผู้ทําลายตัวเองไม่เมตตาตัวเองคือคนที่รักตัวเองหรือเปล่ามันไม่ได้รักตัวเองเมื่อไม่ได้รักตัวเองแล้วผู <c oughs> ้ได้ชาจึงสอนให้เรากลับกรสนใจตัวเองไงว่าเราทุกข์อยู่นะั่นคือเราทําลายตัวเองอยู่ ผู้พ่อความโกรธเมตตาคือเป็นเครื่องแก้ความโกรธอยโกรธไทยอยมุ่งมั่นปรารถนาร้ายกับไทยอย่างนี้ที่แท้จริงแล้วคือดับในใจตนเองได้ก่อนแล้วค่อยแผ่ไปถึงคนอื่นถ้าดับในใจตนเองไม่ได้ทําตัวเองให้ไม่ให้เป็นสุขได้แล้วไปถึงคนอื่นก็ไปไม่ได้มันก็ไม่ใช่เมตตากระแสไปแบบฟืดๆเป็นเมตตาเทียมก ก็ทํานองเดียวกันคล้ายๆแต่คนละลักษณะคนละอย่างอุทิบุญคือการส่งผลบุญไม่ไม่เกี่ยวว่าจะมีเมตตาหรือไม่มีเมตตาส่งไปได้เลยแต่ต้องเริ่มจากตัวเราคือสร้างกระแสะบุญด้วยตัวเราแต่เมตามตาเมตตากือเหมือนกันเมตตาไม่จําเป็นต้องอุทิศเมตตาไม่ใช่พลังบุญที่จะต้องอุทิศเมตตาคือกระแสะแห่งความปรารถนาดีที่เริ่มจากจิตของเราเองแล้วค่อยแผ่ออกไปจากภายน้อก ก็ถึงแบบแวบๆไปนึกทําไมนึกแวบอ่ะต้องนึกนานๆที่นึกนานๆแล้วแผ่ไปนานๆขอให้เขาถึงความสุขความเจริญขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ขอให้เขาอย่าได้เข้าถึงความทุกข์ขอให้รักษาตนพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้เขาอย่าได้เสื่อมจากสมบัติอันตนที่ได้แล้วขออย่าได้ให้บริเวณต่อข้าพเจ้าขออย่าได้เขาได้รับการเบียดเบียนอย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็อย่าได้เบียดเบียนเขาคิดอย่างนี้ขอให้เขาพ้นจากทุกข์ภัยทั้งหลายทั้งปวง ที่นึกตั้งมั่นหรืออยงนั้นสักหนึ่งนาทีต่อบุคคลหนึง่งหนึ่งนาทีถือว่าน้อยมากนะพระพุทธเจ้าแผ่เมตตาให้กับโลชาทั้งคืนกษัตริย์โลชาที่ว่าไม่ไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าที่เขาบังคับให้โลชามาต้อนรับพระพุทธเจ้าโลชาบอกโอ้ภาษาสาดานี้เสด็จมาก็ทําให้คนอื่นลําบากต้องคอยมาต้อนรับต้องเสียค่าต้อนรับ คือต้องถ้าใครไม่ออกมาต้อนรับจะถูกปักเงินไงเ ข, เขาตั้งกติกาไว้อย่างนั้นในเมืองกุศลังลามันพวกมันลกกักกระสับกระสับโรชาไม่ได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยแต่เป็นเพื่อนของพระ อ, อนุ์พระ อ, อนุนเลยประกาศพูนพระเจ้าทำอย่างไรจะให้โชรชาเลื่อมใสในพระตัองค์พระเจ้าขังพระเจ้าบอกว่าเราจัดการเองโมละแ อ, อ, อนอานน์พระเจ้าวันั่งแผ่เมตตาให้โรชาทั้งคืนทั้งคืนระดับผู้ได้เจ้าอย่างนี้ทั้งคืน พอเช้าขึ้นมากระสับกระส่าเปลี่ยนใจเลยด้วยอำนาจแห่งเมตตาของพุทธเจ้าเปลี่ยนใจนึกยังไงก็รู้เราจะออกไปต้อนรับพุทธเจ้าเองออกมากลัวจะเสียค่าปรับรูปป้เปล่ากไม่แน่ใจพอมาต้อนรับพุทธเจ้า <laughs> <g ül> เห็นพุทธเจ้าพวกก็แผ่เมตตาให้อีกด้วยเมตตาก็เลยจิตยินยอมน้อมรับฟังธรรมพอฟังธรรมก็บรรลุเป็นส่วบัต ถ้าจะเปลี่ยนใจใครต้องแผ่เมตตาให้เขาเยอะๆเปลี่ยนเปลี่ยนใจเขาได้หวังประโยชน์เพื่อกูลต่อเขาอนะต้องแผ่เมตตาถ้าสมมุติว่าเราท่องท่าท่องังเนี่ยมันไปได้บุญตองไหนคะที่เราสา ม, มารถจะทิ้งบุญออกไปได้ขณะที่ท่องก็เกิดทุกขณะกะระแสของจิตถ้าเราท่องคือเราเนื้อทำใดคาหนึ่งขึ้นมา บุญก็เกิดในคําพูดนั้นแหละตามคําที่พูดสมมุติท่องคำว่าธาตุกรรมฐ า, านสีธาตุสีคือธาตุดินมันเริ่มตั้งแต่คำว่าธาตุกรรมฐ า, านสีเริ่มเกิดกระแสบุญขึ้นในจิตแล้วนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันในจิตเราก็เริ่มมุทิตได้เลย ได้สิก็บุญที่เกิดจากการท่องเราเราก็คิดไปตามตัวอักษรใช่ไหมล่ะถ้าถ้าถ้าเหมือนเหมือนท่องเหมือนนกแก้วนกขุนทองเนี่ยก็ได้แบบนกแก้วนกคุนทองก็ได้บุญอยู่นกแก้วนกคุนทองก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่มีประโยชน์นะมีมีประโยชน์มากเหมือนกันนะนกแก้วนกคุนทองเอาไว้ไล่โจงก็ได้นะโจงจะขึ้นบ้านนกแก้วมันก็ลองโจงมาโจงมาโจงมาใช่ไหมล่ะมันไม่รู้เรื่องอะแต่ว่ามันมันเตือนเจ้านายมันได้เอาไว้ไล่โจงได้อยู่ ในบางกรณีน anyway <laughs> <laughs> so ี้เราก็ไว้ไล่ผีได้อยู่ก็ได้ก็มีส่วนในการแก้ไขได้ถ้าเราเข้าใจมากขึ้นมันก็จะได้เยอะขึ้นใช่ก็จะได้มากขึ้นตอนแรกในวอยู่แล้วว่าแค่ท่องแล้วทำไมถึงได้มันเป็นสัจจ์เป็นความจริงสัจจ์นี้มันเป็นความจริงแม้ความจริงจะอยู่เหนือเหนือบุญเหนือบาปก็จริงอยู่นะ แต่เวลาเมื่อมันเข้ามาเป็นเครื่องประสานกับใจแล้วมันจะเกิดเป็นกุศลธรรมพราะมันไม่ใช่อกุศลพราะมันเป็นกุศลธรรมทำให้จิตเราไม่ไม่สายแสบไปใน ด, ด้านอากุศลไง ม, มันก็เลยเกิดเป็นกุศลขึ้นมาแวดล้อมจิตปรุงแต่งจิตเราปุณก็เกิดขึ้นตามกระแสแห่งการท่องเบี่ยนรอบอยู่ในจิตอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เฉพาะขันท่องอย่าง อ, าง อ, งาอื่น ก, ก็น่าจะได้เหมือนกันสรับอะไรก็ตามที่เป็นสัตธรรม พุงังสััฉามิทาามังสันัฉามิสังฆังสนสาน า, ามิามนี่ก็เป็นกุศลกุศลที่จะเกิดผู้เจ้าบอกว่าอะไรหมหนึ่งรา ล, ลึกถึงพรธเจ้ารา ล, ลึกถึงพระธรรมรลึกถึงพระสงฆ์ราลึกในกายยะขาตาสติอทองธานกับประถานสีนี่เลจาคานุสติเทวานุสติอะไรมรณ า, านุสติมีอะไรนุสติสิบานาปานาสติเห็นหมดูลมหายใจเฉยก็เป็นบุญ แต่ต้องดูลมด้วยจิตที่ไม่ประกอบไปด้วยอกุศลนะไม่ใช่ดูลมอยู่แต่จิตคิดไปโน่นไปนี่ในอกุศลต่างๆก็ไม่ได้หมายว่าดูลมจะต้องจิตประกอบอยู่กับลมเท่านั้นหายใจเข้าหายใจออกเท่านั้นถึงแม้ว่าเราจะนับหนึ่งสองสามอะไรนี้มันก็ยังยังยังเป็นกุศลละธรรมแค่ไม่ไปคิดเรื่องอื่นใช่คิดแต่อยู่ในลมให้ได ได้อะไรอีกอุปมาณนสติครบหรือยังสิบสีล้านุสตินะสิอุปมาณนสติแล้วลึกถึงพนิพาณคนไม่เคยเห็นพันิพัณฑจะลึกได้ยังไงล่ะบุรุษชนเน้อยอะไรคอยตามยังไงเขาใช้การเทียบเคียง อุปสมาอุปสมานุสติเทียบเคียงอุปมาอุปไมเทียบเคียงเอาว่าโลกมีทุกนิพันไม่มีทุกโลกมีแต่ความวุ่นวายนีพันไม่มีความวุ่นวายโลกมีความแก่ความเจ็บความตายนีพันไม่มีความแก่ความเจ็บความตายโลกโลกมียุ่งยากนิพันมีความยุ่งยากเทียบไปอย่างนี้ตลอดเพื่อให้จิตน้อมไปอยู่ในพันธิพนนัพนธ์มา แม้จะไม่เคยเห็นพันิพาน์แต่เทียบไปเรื่อยในจิตเทียบเทียบเทียบเทบเทียบก็จะสามารถรู้ได้เป็นกุศลธรรมได้พระเจ้าบอกว่าเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อระลึกแล้วนะปีติย่อมเกิดเมื่อปีติเกิดย่อมเกิดความสุขความสมบรูรณระงับเมื่อสุขย่อมนำมาซึ่งสมาธิสมาธิย่อมทําให้จิตเป็นอุเบขาอุเบคาจิตเป็นกลางย่อมเห็นธรรมตามความจริงคือเห็นการเกิดการดับของสภาพธรรม มันก็เป็นตามลําดับนี่ไงแต่ต้อมาจะจับจำนวนของการท่องก่อนเพราะว่าสอนให้คนดูลมหายใจก็ไม่ค่อยดีเรื่องเท่าไหร่ดูได้ถึงนาทีหรือเปล่าไม่รู้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะ่ะไม่ถึงนาทีเท่าไหร่หนึ่ ง, ท, งท่องธาตุง่ายกว่าทําอะไรก็ท่องได้สองมานั่งดูก้นตัวเองนั่งอย่างเงี้ยดูก้นตัวเองก้นสัมผัสกับพื้นดูไปเรื่อย ให้มีความรู้สึกติดต่อเนื่องกันและให้รู้มือที่สัมผัสกันอยู่ต่อเนื่องกันให้รับรู้ที่ก้นสัมผัสกับพื้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆื่อยๆก็ได้ผลได้ผลทั้งสองอย่างทั้งท้องถ่าทั้งมานั่งดูกดนวิธีอื่นไม่ค่อยเหมาะกับคนยุคนี้มันมีเรื่องให้คิดหลายเรื่องกันเลยสอนยาก บางทีก็สอนให้ไปดูเรื่องของความคิดเรื่องอารมณ์เรื่องการกระทบเรื่องการเกิดการดับก็ได้แค่สงบแล้วครับเพราะการที่จะเข้าถึงมรรคผลหรือว่าตัวที่จะละหรือทำลายอสวกิเลสเนี่ยมันต้องประกอบไปด้วยทั้งความรู้ความเข้าใจทั้งเห็นการเกิดการดับมันต้องการปฏิบัติจะมีสองกระแสหนึ่งสงบก่อนแล้วมารู้การกระทบ 2. รู้การกระทบก่อนแล้วค่อยสงบวิธียังไงที่สุดคือรู้การกระทบก่อน แล้วความสงมบจะตามมาเองไม่ต้องหาแต่วิธีแรกต้องสงบก่อนคือต้องหาอันสงบมาเป็นอุบายสงบใจก่อนแล้วค่อยไปรับรู้การกระทบแต่โดยส่วนมากคนที่ไปสแสวงหาความสงบก่อนจะมารับรู้การกระทบยากยากมากจะรับรู้การกระทบได้ยากมากกระทบทีนึงก็ปี๊ดเต็มที่เลยนะอาตมาจึงสอนให้รับรู้การกระทบก่อน สอนให้รู้ทุกันแหละการกระทบก่อนแล้วเมื่อเราผ่านตัวนี้มาได้มันจะสงบเองหงุดโงบมันจะรองรับจิตเองตามรองรับเองอัตโนมัติตอนนี้ก็คือเขอ้าใจเข้าใจแต่ไม่รู้ต่อจากนี้ไปทำอะไรดีคที่จรณาเมื่อเท่าทัดได้จำได้ดีแล้วขึ้นใจแล้ว พิจรารณาร่างกายที่ท่องมาเป็นท่าสีดินน้ำไฟลมหกขั้นตอนมีให้กั น, หนัหมล่ะมีหมดหรือยังฮะหมดแล้วมากมีใครปิ้นมาแนละ้วหมดกันแล้วเอาเอาให้จําก่อนทีเอาให้จำกันเอายังจําไม่ได้ก็ต้องท่องให้จหําให้ได้ก่อนมีต่อแน่นอนมีมีมีขั้นตอนต่อไปแน่นอนมีอยู่ พอพี่น้ร่างกายหัวขัตอนเสร็จมาท่องคันหพอท่องคัน5้าเสร็จมาพี่น้าแยกคัน5ท่องธาตุสีแล้วแยกธาตุสท่องคันห้าแล้วแยกคัน5พอรู้เข้าใจหมดแล้วทั้งธาตุสและคันหดูอาการเกิดดับพอมาดูอาการเกิดดับเนี่ยมันจะเกิดความรู้ที่เราท่องมามันจะรองรับจิตอยู่และเห็นอาการความจริงที่เกิดและดับมันถึงจะส่งผลเข้าถึงนอกผพณิธานได้ หลักการตรงนี้เราไม่ต้องไปสวนหรอกไม่ต้องไปทําลายความอยากไม่ต้องไปทําลายอุปทานไม่ต้องไปทําลายความโลภความโกรธความหลงต้องไปแก่พวกนั้นไม่ต้องไปเสียเวลาแก้สร้างความรู้ให้ใจมากๆเพราะพระเจ้าบอกว่าอวิชายตเวบาอเสสสิราคันิโรโทสังคารนิโรธาเมื่อความดับไปไม่เหลือของอวิชาสังขารจึงจะดับคือเราทําลายความไม่รู้ไม่รู้ในกายไม่รู้ในจิตออกให้หมดก่อนทําเราทําลายความไม่รู้นี่แหละ ไอ้โพงนี่มันจะดับเองจนไปถึงโน่นน่ะปัญหาดับอุปทานดับครบดับชาติดับเพื่อเจ้าดับอวิชาก่อนแต่บางครั้งโพงก็สอนให้ดับตัณหาก่อนเพราะอะไรเพราะบางคนตัณหามากแต่สอนให้ดับตัณหาคือสอนเพื่อให้ดับตัณหาแบบสงบระงับไม่ใช่สอนให้ดับตัณหาแล้วหยุดตรงนั้นดับคือสงบระงับตัณหาไว้เพื่อให้มาถึงตัวอวิชาโพงจึงสอนธรรมะปูพื้นฐาน สงบระงับตัณหาในเบื้องต้นคือสร้างกุศลธรรมในจิตโอ้พื้นฐานแล้วจึงมาสอนอริยสัจสีเป็นเครื่องแทงตลอดทำลายอาวิชชาตัณหาแค่ไปไปอันนั้นใช้สมาถะาในการสงบลงงับเขาเรียกว่าอาการที่ดิ้นรนในจิตเนี่ยให้มันสงบลงก่อนแล้วค่อยไต่ขึ้นมาเรียนรู้แต่ต่อมาจะสอนให้ พอเราเข้าใจธรรมชาติของตันหาว่าธรรมชาติของตันหาเป็นธรรมชาติที่ต้องมีอยู่แล้วเหมือนกับไปซื้อผลไม้มาก็ต้องได้เปลือกมาอยู่แล้วแต่เราจะไม่กินเปลือกมันต้องติดมาไปซื้อมะพร้าวก็ได้ได้เ ด, ดกระโหลกมะพร้าวมาด้วยนอกจากเขควักเนื้อเอาแล้วอัน่นคือต่ันหาแต่เราจะไม่กินกระโหลกมะพร้าวไม่ใคยไปกินกระโหลกมะพร้าว แเราก็กินแต่เนื้อมันหมายถึงว่าให้รู้ธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วในจิตเราพวกนี้มันเครือบอยู่ในจิตเราอยู่แล้วตัณหาเครือบอยู่ในทุกเรื่องอะไรแต่เราให้เข้าใจว่าเราจะไม่ไปจัด ก, การกับมันเราจะจัด ก, การกับอวิชชาความไม่รู้ที่ทําให้เราเกิดการยึดมัน่นถือมันปราบใดที่อวิชชายังไม่ดับเราจะสงบระ ง, งับตัณหาได้แค่ไหนก็ตามมันก็ได้แค่ชั้นของการสงบระ ง, งับตัณหาอาจจะไม่เกิด ในชาตินี้มันอาจจะเกิดให้ชาติหน้าเพราะมันเสื่อมได้แต่ถ้าดับอวิชชาได้แล้วตัณหาจะมีอยู่ก็มีอยู่เพราะมันเป็นบริวารเนี่ยเป็นผลเนี่ยเป็นผลมาจากอาวิชชาเนี่ยผู้เจ้าดับตันอ่ดับอวิชชาได้นะแต่กายสังขารยังอยู่จิตตสังขารก็ยังอยู่นะแต่กายสังขารและจิตตสังขารไม่เป็นเหตุในการสืบต่อภพแต่บุตรชน มีอวิชชาอยู่กายสังขารก็มีอยู่จิตตสังขารก็มีอยู่แต่กายสังขารที่มีอยู่กระทําอะไรลงไปด้วยกายและจิตด้วยเจตานาน่ยมีเจตานานและกระทําลงไปนั่นยังเป็นเหตุให้สืบต่อครอยู่แต่พระเจ้าดับอวิชชาที่เป็นต้นขั้วหมดแล้วดับอวิชชาปับ๊บกระทําอะไรก็ตามด้วยเจตานานรุนแรงแค่ไหนก็ตามกระทําลงไปก็ไม่เกิดเป็นกุศลและอกุศล แต่บริบารของอวิชายังมีอยู่กายสังขานเนี่ยเป็นบริบาลของอวิชาเนี่ยขันทั้งหมดเนี่ยแต่บริบาลของของอวิชาแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสตัวเนี้ยมันเป็นตัวทุกเป็นผลเป็นทุกข์ขัดจังเหตุคือความไม่รู้ตัวหละ่ะที่พระองค์ทรงแสดงตัณหาเนี่ยเพื่อแสดงสิ่งที่มัน<อ>ปรากฏชัดเจนในใจเราแต่อวิชชาเนี่ยไม่ได้ปรากฏชัดนะ พระองค์จึงบอกให้ละตันหาเพื่อจะให้รู้อวิยชาติคว่าละตันหาเพื่อรู้อวิยชานั้นก็คือละความอยากเราจึงเห็นความไม่รู้เพราะไม่รู้เราจึงอยากถ้าเรารู้ว่ามันมีทุกข์เราจะอยากอยากอยู่กับมันไหะตัวทุกข์แต่พราะเราไม่รู้ว่ามันมีทุกข์เรารู้เราไปเห็นแต่ว่ามันมีสุขพอเราเห็นว่ามีสุขเราจึงไม่อยากหนีออกจากมันอยากจะอยู่กับมันเราจึงติดอยู่ ถาเราอยากจะอยู่กับมันแล้วอยู่ได้ไปตลอดไหมล่ะในร่างกายกายกับจิตเนี่ยอยู่ไม่ได้ตลอดหรอกเพราะฉะนั้นแล้วพองยิ่งบอกว่าหากเราเห็นเป็นทุกข์อยู่แล้วเราจะไม่แสวงหาสุขในกายไม่แสวงหาสุขแม้แต่ในจิตสุขในกายก็ไม่เอาสุขในจิตก็ไม่เอาแต่ไม่ปฏิเสธถ้ามันจะเกิดขึ้นแต่ถ้ามันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือโดยสิ่งที่ไม่ใช่อกุศนเนี่ยพวงบอกไม่ปฏิเสธแต่จะไม่แสวงหาหรือเอามันจิตที่วางกาย าวางอารมณ์ทางใจได้แล้วเนี่ยแล้วรู้พัพนิพาณเนี่ยเขาจะรู้ทันทีว่าสุขที่มีอยู่ในกายในจิตในปัจจุบันนี้เป็นสุขแบบที่ต้องทิ้งเป็นขยะอันหนึ่งที่มันต้องทิ้งท่านเห็นพันิพาณ น, นี่ยเป็นที่ประเสริฐที่ดับทุกอย่างถาววันถามอะไรอีกนะมาเรื่อยๆในคำถามชัยยศิธิ์วงเวียน เมตตาอยู่ครับแต่ใจผมร้อนแสดงว่ามุ่งเมตตาภายนอกไม่ได้มุ่งเมตตาภายในคือเหมือนกับว่าตัวเองนี่เมตตาคนอื่นเห็นคนอื่นเมตตาคนอื่นสงสารคนอื่นที่ใจร้อนแสดงว่าไม่ได้เมตตาตัวเองนะชัยสิทธิ์คือไปเมตตามุ่งภายนอกเอาเอาวัตถุภายนอกเป็นหลักเอาบุคคลภายนอกเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญเมตตาแต่ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่เจริญแห่งการการเจริญเมตตา หมายถึงว่าเราต้องดับความร้อนในใจเราก่อนถึงพ่อยแผ่เมตตาไปถึงคนอื่นปลาลบตัวเองก่อนแล้วค่อยปลาลบคนอื่นนะการการที่เมตตาคนอื่นแล้วใจตัวเองร้อนเนี่ยเป็นการเมตตาเพื่ออยากให้คนนั้นเป็นอย่างที่เราต้องการเมตตาเขาเพื่ออยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการอาั้นเป็นเมตตาที่ผิดเมตตาโดยมีตัณหาเขาไปเกี่ยวข้อง ถามว่าผมดับความโกรธไม่สนิทครับเกิดดับเกิดดับมาหลายเดือนก็ยังเหมือนเดิมแต่ไม่แสดงออกทางกายวาจาปดไว้ครับทาอย่างไรจะสงบได้สนิทครับจำไว้เลยว่าเราจะไม่สามารถดับความโกรธได้จำไว้เลยเราไม่สามารถดับความโกรธได้ไม่มีใครดับความโกรธได้ทุกคนเลยในโลกนี้มีใครสามารถดับความโกรธได้เมื่อเรารู้ว่าเราไม่สามารถดับความโกรธได้ก็ไม่ต้องไปดับมันเอาทาไมไม่ต้องไปดับมัน พรมันดับด้วยตัวเองมันอยู่แล้วเราเพียงแค่มาทําความเข้าใจและรู้ตามความเป็นจริงว่ามันดับด้วยตัวของมันเองอย่างไรแค่นี้เองเราถึงจะเกิดปัญญารู้ขึ้นมาว่ามันเกิดและมันดับของมันพอเข้าใจไหมตัวนี้แต่ถ้าเราพยายามจะเข้าไปดับอันเนี้ยแหละคือปัญหาพราะเราเข้าไปดับในสิ่งที่เราดับไม่ได้เราจะพยายามใช้ทุกอิทธิาลเพื่อเข้าไปดับมันเนี่ย วิธีการเหล่านั้นเป็นวิธีการที่ล้มเหลวเป็นวิธีการที่ใช้ไม่ได้เป็นวิธีการที่ผู้เจ้าไม่ได้สอนเอาแล้วทำไมพงบอกให้ดับให้ละมันอ่ะอันดับที่ผู้ทีเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าให้เราเข้าไปดับมันนะอันที่ดับพงบอกว่าให้รู้ความดับไปของความโกรธเมื่อเรารู้ว่าความโกรธมันดับเองได้เราจะต้องเข้าไปดับมันไห huh. มนในขณะที่มันยังไม่ดับเราจะต้องมีสติใช่ไหมแค่นั้นเองแต่ขณะที่มันยังไม่ดับแน่นอนว่ามันต้องเล่าร้อน และอาการเราร้อนนั่นเองจะทำให้เรามีสติทีนี้เราบอกว่าเออท่านบางคนบอกว่าเรามีสติปุ๊บแล้วมันดับได้แล้วเราไ ป, ไปพอใจในผลมันโอ้ใจทําไมมันเบาสบายอย่างนี้อันนั้นคืออะไรรู้ไหมสติขาดแล้วสติเอาไว้ในการรู้ทันอารมณ์แต่ไม่ได้เอาไว้เพื่อเสเวยอารมณ์ถ้าเราไปเสเวยอารมณ์หลังจากการที่มันดับแล้วจิตใจเบาสบายอันนั้นเป็นการเสเวยใช่ไหมถ้าเราเสเวยอารมณแ์แห่งความเป็นผลในการที่สติ สบงบละงับอารมณ์แห่งความปวดได้แล้วเนี่ยนั่นคือสติเราขาดหายแล้วซับซ้อนไหมตรงนี้ไม่ซับซ้อนนะเข้าใจนะหมายถึงว่าสติจะใช้เมื่อมีอารมณ์กระทบและเรารู้เท่าทันมันแล้วเห็นการดับของอารมณ์ให้ได้โดยที่เราไม่ได้เข้าไปดับมันตรงเนี้เพราะฉะนั้นปฏิบัติผิดมาตั้งแต่แรกก็เลยไม่เข้าใจ อย่าดับความโกรธเพราะความโกรธมันไม่ได้ดับด้วยการที่เราเข้าไปดับมันแต่มันจะดับด้วยตัวของมันเองภาวาดับไม่สนิทถูกต้องมันไม่สนิทหรอกเพราะมันจะต้องเกิดแล้วดับเกิดระดับอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยจนถึงมันตายความโกรธอะ่ะเอาแล้วทำไมพระพุทธเจ้าไม่โกรธใครบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่โกรธภาษาริบุตรก็ไม่โกรธ มีคนไปตีภาษาลิบุตรใช่ไหมมีตีตีข้างหลังทดลองมาท่านจะโกรธหรือไม่ใครบอกว่าภาษาลิบุตรไม่โกรธ <c oughs> แต่สิ่งที่อาการที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากการกระทบเขาไม่ได้เรียกว่าความโกรธในจิตของพระอริยเจ้าแต่บุรุษชนเรียกว่าความโกรธเพราะจิตของบุรุษชนเข้าไปคุกคี กับอาการนั้นใช่ไหมละ่ะแต่จิตของพระรยเจ้าท่านเห็นอาการที่เกิดและกระดับในจิตของท่านท่านก็เลยไม่เอาอาการพวกนี้นมาเป็นอารมณ์แต่ถามว่ามีไหมมีแต่ไม่ได้เอามาเป็นอารมณ์ความโกรธถ้าไม่มีความโกรธพระพุทธเจ้าจะด่าพระได้เหรอเขาบอกเอ้าพุทธเจ้ายังดา่าพระด่าคนอยู่เลดยด่าทีทาไมจะไม่ดา่า เราไม่ได้ไปอ่านตอนที่พระเจ้าด่าพระไม่ได้อ่อนไม่ได้ไปอ่านตอนที่พระองค์ด่าด่าคนพระเจ้าว่ า, างไง ร, รู้ไหมพระเจ้าดา่ดาไดา้ลทัทธิอาชิตะเกษะกําพลว่าเป็นลทัทธิประดุดดังไซดักล่อมนุษย์ดานะเขาก็บอกว่าพระองค์ทรงยกอุปมาอุปไมยเทียบเทียงแสดงธรรมเอาถ้าไม่มีจิตใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีจิตในการแสดงออกต่อสิ่ง นั้นต่อสิ่งที่มากระทบนั้นน่ะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะแล้วไม่แสดงออกด้วยอาการที่ปรากฏในจิตก็ก็ไปพูดได้ยังไงก็ต้องอาศัยอาการพวกนี้เป็นเครื่องพูดเป็นเครื่องแสดงออกในจิตว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าอารมณ์พวกนี้อารมณ์ความโกรธพวกนี้แต่ในนั้นเราไม่เรียกว่าโกรธได้ยังไงในจิตของพอระพรทยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเขาไม่เรียกว่าโกรธ เพราะมันไม่มีแรงอาฆาตแรงพยาบาทแรงปองร้ายแรงมุ่งร้ายแรงประสงค์ร้ายต่อใครๆบัรแรงที่ปราถนาดีว่าที่พระองค์บอกว่าอาชิตะเกศกําพลเป็นลัทธิที่เป็นมิจฉาทิฐิที่ประดุดดังไซดักล่อคนเนี่ยคนจะหลังไหลไปติดอยู่ในไซเนี่ยและออกไม่ได้การที่พงทรงสแสดงอย่างนี้เพื่อให้สาวกทั้งหลายหลีกเว้น แล้วไม่ใช่ว่ามุ่งปลาลบไล้ปลาถนาไล้มุ่งไล้ต่ออาชิตเกศกมพลแต่ทำให้คนแยกแยะออกทําความเข้าใจว่ารัตทีพิชาทิสต์นั้นเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรอเงี้ยหรือดาพระที่เคยพูดอ่ะดาภัตที่ส่งเสียงบกปบควยไวนะ์เหมือนกับชาวประมงแย่งปลากันนะแล้วก็ไล่หนีออกจากอาวาอาอตมาจะยกตัวอย่างเช่นการที่เรา ออกไปถูกแดดเมื่อออกไปถูกแดดเราบุตรชนคนธรรมดากับพระพุทธเจ้าออกไปถูกแดดได้รับความร้อนเท่ากันไหมใช่แล้วจิตบุตรชนเป็นยังไงจิตของพระพุทธเจ้าล่ะได้รับความร้อนเหมือนกันแต่สภาพจิตไม่เหมือนกันอารมณ์กระทบจิตมีเหมือนกันแล้วเกิดอารมณ์เหมือนกันแต่สภาพจิตไม่เหมือนกันเขาจึงไม่ได้เรียกว่าความโกรธในนั้นน่ะในจิตของพระพุทธเจ้าเขาไม่ได้เรียกว่าความโกรธ เขาเริ่มเขาเริไม่เรียกว่าความโกรธตั้งแต่สกัดาคามีแล้วสกัาคามียเาเรียกว่าอะไรปฏิฆะใช่ไมเขาไม่เรียกว่าโกรธนะปฏิฆะนี่โกรธนี่เป็นชั้นของการพระโสดาบันนี่ยังเรียกว่าโกรธอยู่ได้นะจิตของพระโสดาบันนี่ยังเรียกว่าโกรธได้จิตบุรุชนี่เรียกว่าโกรธทั้งโกรธทั้งโภสะทั้งพยาาบัตทั้งหมดเลยในนั้นจิตของบุรุษชนจิตของพระโสดาบันยังเรียกว่าโกรธอยู่จิตของสกัาคามีเรียกว่าปฏิฆะจิตของอนาคามีไม่เรียกว่าปฏิ แต่ธรรมชาติที่มากระทบแล้วเกิดอาการที่สอให้เห็นหรือแสดงสะท้อนออกมาให้เห็นในสิ่งที่สัมผัสอยู่มันต้องมีไหมทั้งวม่ามีทั้งสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจพอใจไม่พอใจอยู่แล้วในจิตของผู้ได้เจ้าพระพิริยเจ้าแต่เขาไม่เรียกว่าเป็นความโลภความโปวดความหลงอนะ่ะเพราะว่าท่านละเหตุแห่งความโลภความโปวดความหลงได้หมดแล้วไม่เป็นไปตามอาการทั้งมันเราต้องเข้าใจว่าเราจะต้องแก้ไขจิตไม่ได้แก้ไขอารมณ์นะ อารมณ์อย่าไปแก้ไขมันเพราะมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สิ่งที่เราสัมผัสอยู่ถ้าเราไม่มีอารมณ์เป็นเครื่องแสดงออกให้เรารู้ในสิ่งที่สัมผัสอยู่เราจะกระทำต่อสิ่งนั้นถูกได้ไหมทำไม่ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าอันนี้ดีเราจะทำดีได้ไหมเป็นอารมณ์ที่แสดงให้เราได้รู้่าดีอันนี้ไม่ดีเราก็จะทำต่อสิ่งที่ไม่ดีออกไม่ได้ไม่ออกไม่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรทาหรือไม่ควรทำยังไงอย่างเงี้ยเราก็แยกแยกไม่ออก เพราะนั้นสิ่งที่มาสัมผัสและแสดงอาการในตัวของการสัมผัสแล้วสิ่งนั้นมันไม่ใช่กิเลสแต่การที่เราไม่รู้จักสิ่งนั้นตามพอมเป็นจริงน่ะคือกิเลสตรงนี้ที่เราจะต้องมาอบรมใจตัวเองนี่เหมือนกันผมดับความโกรธไม่สนิทก็เพราะเข้าไปดับมันนั่นแหละมันก็เลยไม่ดับเมื่อเรามารู้ว่าความโกรธดับเองด้วยตัวของมันเราจะต้องไปเล่าร้อนไว้ทุกใจกับมันไหมไม่ทุกใจเพราะเรารู้แล้วมันต้องดับเองอยู่แล้ว ไม่อยากจะดับมันก็ต้องดับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ดับตามใจอยากของเราแสดงว่าเราใช้ความอยากเป็นตัวกําหนดถ้าเราใช้ความอยากเป็นตัวกําหนดคือไม่ได้ดับตามใจอยากหรือในช่วงเวลาที่เราต้องการคืออยากจะให้ดับทันทีน่ยเมื่อเราใช้ความอยากมันเกิดอะไรขึ้นเกิดทุกข์เพิ่มขึ้นใช่ไหมความเข้าร้อนเพิ่มขึ้นเพราะตัณหาเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดทุกข์ไงแต่ไอ้ทุกข์ที่เกิดจากการกระทบเนี่ยเป็นทุกที่ต้องยอมรับใช่ไหมยอมรับ มันเกิดแล้วก็ดูมันตามความจริงใช้วิปัสสนากับมันสิอ๋อถูกกระทบอันนี้เกิดอันนี้ขึ้นตั้งอยู่อย่างนี้ดําเนินไปอย่างนี้ดําเนินไปยังไงแค่ไหนครึ่งวันเต็มวันหรือข้ามวันเจ็ดวันเอากระดับสุดท้ายกระดับใช่ไหมอ๋อมันดับแล้วไปใครไปทําให้มันดับมันดับเองไม่มีใครไปทําให้มันดับได้ตัวที่จะทําให้ดับได้คือสติสติเพียงพอไหมแค่นั้นเองเนี่ยแค่นี้แหละหลักการ จบนะวันนี้ก็อธิบายทำไลฟ์สดเพียงแค่นี้ในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาเอวัง